เอคือพอเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาของเราเองครับลงผอมันยังไม่เชื่ออยู่ตรงนึงคือว่าที่เข้าใจคือว่าเอาสติอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วพอได้สติมาแล้วก็ต้องทิ้งสติไปอีกทีนึงอย่ายึดว่ามันเป็นตัวเราอะครับแล้วพอทําอย่างนี้ปุ๊บมันก็ยังแอบกักไว้นิดนึงเพราะว่ามันกลัวจะหลงไปอยู่ดีครับตรงตาแต่พอตอนเช้าพอมันมันเลิศ ก, กักคือมัน ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยมันก็อยู่กับข้างนอกอย่างเงี้ยครับอยู่กับปัจจุบันไปรู้สึกว่ามันไม่ต้องพยายามทําอะไรแต่ว่ามันก็มีสติอยู่เองแล้วมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติทุกอย่างแต่พอเริ่มรู้สึกอย่างปุ๊บมันก็จะกลัวมันจะหายไปมันก็เลยไปกากไปอะไรประมาเนี้ยรับเหมือนในใจลึกๆมันรู้สึกว่าเออยังต้องทําอะไรนิดนึงครับไอ้ที่คิดว่าที่ที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ว่า ต้องทิ้งสติไปใช่ไหมที่ที่ห้ามบอกว่าต้องทิ้งสติไปอันนี้สติได้ทิ้งไม่ได้นะออ uh huh. สติเนี่ยสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพระ น, นิพพานพ้นจากทุกข์ สติเป็นมหาสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยจึงบรรลุปณิพนิพานเราทิ้งสติไม่ได้ทิ้งสติไม่ได้เลยทิ้งสติไม่ได้นี่สติมาใช้มาใช้จนสุดท้ายตอนไหนที่บอกว่าทางบอกว่ารู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบลลันรู้สึกตัวกัปัจจุบันไม่หลงไปกับอะไรไม่หลงปรุงแต่งไปไปรักไปชังสิ่งใดภายนอกตัวเราไม่หลงปรุงแต่งก็ไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจใช่ไหม ที่หางพูดอันนี้ยคือไม่หลงปรุงแต่งเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับอาการน้งใจอันนี้ก็ถูกต้องแล้วฝึกมาในจุดทั้งว่ามันหลงไปรักไปชังไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยาลูกหลานคิดถึงานาคนนั้นคนนี้ได้ความรักความวงใหญ่ความผูกพันความกังวลใจหรือคิดถึงคนที่ว่าเราเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจอันนี้มันมันหลุดออกไปหลงออกไปเรียกว่าหลงเราก็รู้สึกตัว ตอเรารู้สึกตัวมากก็ไม่หลงว่าในโลกคือไม่ไม่ไม่หลงลงไปในเรื่องโลกโลกเราก็จะมาหลงหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องธรรมที่หล่นคุณหาพระนิพพานเราก็จะหมกมุ่นหมกมุ่นที่หล่นคุณหาพระนิพพานทีนี้มันก็เข้าไปหมกมุ่นเราเห็นไหมว่านี่เราสังเกตเห็นแล้วว่าหลงเนี่ยที่เราฝึกมาตลอดว่าหลงในลักษณะต่างๆมันหลงอะไร เราจะต้องสังเกตมันออกแต่ว่าทั้งเราหลงไปหมกมุ่นอย่างอื่นเราไม่หลงแล้วไม่หลงสิงจิตออกนอกไปทั้งนอกร่างกายเราก็้าไปหาความรักความจำความกัวงวลใจวใจุ่นใยรักใคร่ผูกพันแล้วก็ไม่หลงไปยุ่งกับอาการของใจคือจิตมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้ายังหลงไปยุ่งกับภายนอกอย่างเงี้ยไปยุ่งวุ่นวายไปยึดถือสิ่งใดภายนอกร่างกายมันจะไม่มีโอกาสไปรู้สึกตัวเลย อีกกรณีหนึ่งคืไม่ไออกไปนอกร่างกายเพราว่ามานชอบมาปรับปรับแต่งแต่งภายในจิตใจนั่นแหละพอจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีอยากให้มันดีจิตมันดีก็อยากให้รักษาให้มันดียังงี้ตลอดไปไม่อยากให้มันไม่ดีพอจิตมันรู้สึกว่ามันแน่นมันทึบมันตื้อมันไม่โปร่งมันไม่โล่มันไม่เบาไม่สบายมันรู้สึกแช่แช่เราก็กลัวแล้วกังวลใจปรับปรับแต่งแต่งอันนี้ถ้าได้ยังมั่วอยู่กับอาการของจิตแบบเนี้ยที่เป็นเวทนาอย่างเงี้ย เราจะเรียกว่าไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มันยอะอยู่ในความหลงอยู่มันหลงนี่มันต้องตัดความหลงข้างนอกไปหลงไปนอกตัวเราเนี่ยสติของนอกไปนอกตัวเราแต่การที่เราเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจที่เป็นเวทนาเนี่ยปรับปับแต่งๆใจมันโป่งมันโล่งมันเบามันสบายมันว่างเราก็ชอบมันไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายมันแน่นอึดอัดทึบๆมันมีอาการแช่แช่เราก็ไม่ชอบดิ้นรนผักใสแต่บางคนก็ไป ชอบไปใจที่มันว่างเบาสบายแล้วไปแช่ติดอยู่ในนั้นเลยอันนี้เรียกว่าหลงเหมือนกันหลงหลงไปติดอยู่ในอารมณ์เน่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าตรงจิตออกนอกเอตรงจิตออกนอกไปคือไปหลงเหลงไปถึงติดออกนอกไปหาอารมณ์มมนีหลงหมดไปติดอยู่ในอารมณ์ที่มันสบายใจหลืแช่ในนั้นเลยนี่การเป็นแช่วิธีเราจะหลุดจากแช่งั้นได้เราก็ต้องถามใจเราถามผู้รู้ว่า ใครเป็นคนรู้อาการเหล่านั t ้นใครเป็นคนรู้อารมณ์เหล่านั้นมันใครที Dais ่ที่รู้อาการเหล่านั้นและหลงอารมณ์เหล่านั้นใครที่ที่ที่รู้อาการแช่อาการเวทนาที่สบายใจไม่สบายใจจิตที่โปรโล่งเบาสบายหรือจิตที่ไม่โปกไม่โล่งไม่เบาสบายแน่นอิดอัทึบเนี่ยใครเป็นคนไปรู้หรอต้องถามใจตัวเองว่าใครใครเป็นคนไปรู้อาการเหล่านั้นถ้าเราเนี่ยไปไปรู้แต่อาการที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ เราจะไม่สามารถที่จะพ้นตกทุกข์ได้เลยเราจะติดอยู่แต่อารมณ์แช่หรือถ้าชอบใจก็แช่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่ชอบใจก็ดิ้นรนปรับสายปรับปรับแต่งแต่งแก้แก้ไปดูหนังฟังเพลงหาทางไปทํานู่นทํำนี่หลอกตัวเองไปเรื่อยไม่ไม่สามารถพ้นทุกข์นั้นเราต้องถามผู้รู้ถามใจเราว่าใครลราเป็นคนรู้เนี่ยอาการเหล่าเนี้ยใครเป็นคนรู้ออกกับตัวเราเองเป็นคนรู้อารมณ์เราเนี้ยใครจะเป็นคนรู้ว่าเราเราสบายใจไม่สบายใจเราก็ต้องรู้คนอื่นไม่รู้หรอก เรารู้แล้วเราพูดยังไงในตัวเนี้ยมันพูดไปอย่างไงมันคิดยังไงมันตึกตองยังไงมันแสดงปฏิกิริยาอย่างไงต่ออาการเหล่านั้นต่ออารมณ์ที่ถูกรู้มันแสดงแอคชั่นอย่างไรอะต่ออารมณ์ที่ถูกรู้มันคิดมันตึกมันตองมันเหมือนกับมันพูดคนเดียวอยู่ในใจอย่างไรมันพอใจไม่พอใจกับอาการหรืออารมณ์ที่ถูกรู้อย่างไรแล้วเราสังเกตเห็นแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยเนี่ยอย่าไปสนใจแต่อารมณ์ที่ถูกรู้หรืออาการที่ถูกรู้หรือเวทนาที่ถูกรู้ ใครสังเกตแต่ใจผู้รู้เนี่ยมันพูดว่าอะไรในใจอ่ะไอ้ใจผู้ไปรู้เนี่ยไปรู้มันพูดว่าอะไรมันมันนึกตรึกตรองว่าอะไรไอ้ใจหรือจิตที่มันมันผู้ไปรู้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยแท้จริงอะมันเป็นวิญญาณขันมันเป็นวิญญาณขันเป็นวิญญาณนาขันมันไปรู้ธรรมอารมณ์คือมันไปรู้อาการของใจ ต่างๆต้องที่สบายใจไม่สบายใจทงอาการถูกใจและไม่ถูกใจไอ้วิญญาณสังขารนั่นไปรู้พอรู้ปั๊บมันก็ทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารคือพอมันรู้ปั๊บมันก็ต้องมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจอารมณ์นั้นแล้วก็ส่งต่อสัญญาสัญญาคือความจําได้ไหมรู้ว่าอารมณ์นี้มันเป็นลักษณะอย่างไรความรู้สึกนี้มีลักษณะอย่างไรหรือเวทนาเนี่ยที่ไปรู้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือความคิดคิดปรุงปุงคิด คิดดิ้นรนผักสายคิดเอาวันทางที่จะออกจากอันนี้ไปปรับปรับแต่งแต่งแก้แ ก, แก้มันเป็นอย่างงี้อยากให้มันเป็นอย่างงั้นจิตมันเป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนีนหนหน้หรือหาทางไปดูหนังละดูละครหาทางเล่นนู่นเล่นลนี้ทำนูำ่นทํานี้เล่นเกมเพื่อมันลืมลืมอารมณ์เหล่านี้ไปแต่ฉันอ้นเนี้ยที่ท่านกล่าวว่าคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการภายในใจตัวเองแบบเนี้คือหลีกหนีอาการที่ถูกที่ไม่ถูกใจไปห า, าการที่ถูกใจนี่คือคนโง่คนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยจะหลีกหนีจิตที่ปรุงแต่งของตัวเอง ความคิดปรุงแต่งของตัวเองก็เห็นนไะความคิดปรุงแต่งก็เกิดที่ไหนอ่ะวิญญาณอรณินี่แน่จิตหรือใจหรือผู้รู้เนี่ยมันไปรู้อืมันไปรู้อาการเหล่านั้นไปรู้อารมณ์เหล่านั้นแล้วมันมันปรุงว่ายังไงอ่ะมันคิดปรุงว่ายังไงก็รู้อยู่ตรงนั้นแน่รู้ตรงตัวเราเนี่ยแน่ผู้ไปรู้อารมณ์นั้นเนี่ยแล้วมันคิดยังไงมันปรุงไงแสดงกิริยาแอคชั่นยังไงเราก็เห็นมันอย่างงั้นแน่เห็นมันเห็ น, น, นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยแล้วที่สุดอ่ะ ไอ้ผู้ที่ไปรู้ไปเห็นนี่ยตัวมันก็พูดใหม่อีกไอ้ผู้ที่ไปรู้ไปรู้เห็นว่าเรากําลังพูดอะไรเนี่ยเราแสดงกิริยาการอย่างไรต่อเวทนาไอ้ผู้ไปรู้ตัวใหม่เนี่ยวิจญาณขันตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมันจะเกิดดับเร็วมากไอ้ตัวใหม่ก็จะมารู้ว่าไอ้ตัวเราที่ไปรู้แล้วพูดว่าอะไรอย่างไรเนี่ยไอ้ตัวหลังนี่ก็จะพูดพูดพูดพูดซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆซ้อนไปไม่มีที่จบสิ้นแต่ไม่ว่าทุกตัวที่จะพูดว่าอย่างไงอะไอ้ที่สติอะที่ห่างบอกว่าเราก็ เราจะต้องทิ้งสติไม่ได้ทิ้งสตินะสติจะมันรู้หมดเลยเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวรู้รู้ว่าไอ้วิญญาณาขันเนี่ยมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยไปรู้ทำอารมณ์ไปรู้เวทนาที่ถูกใจมันก็ชอบแล้วมันก็แช่เลยนั่นแหละแช่งโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆมันแช่เลยน่นแะไม่อยากไปทําอะไรคิดว่าตรงนี้คือ น, นิพพานเลยตรงนี้เป็นความสุขที่สุดตรงนี้เป็นที่อยู่ของใจอันเนี้แช่เลยตายไปก็มีแช่จนตายก็มีคือเกล็ดเลือดต่ํา มันจะเกิดโลกเรียกว่าโลกภูมิแพ้ทำลายตัวเองโรคภูมิแพ้ทำลายตัวเองจนประส า, าเข้ามาใช้คำว่าโรคภูมิผวนดวงจันทร์โรกภูมิแพ้บวบพองแล้วก็เกิดเก็บเลือดต่ำเลือดขาวต่ำแล้วก็ตายเยอะเลยเพราะเหตุนเนี้ยโดยไม่รู้ตัวแล้วบอกว่าไม่ได้ฝึกจิตแช่ไม่เป็นหรอกเป็นแต่เด็กเลยพอมแช่ข้ามภพข้ามชาติมาเกิดมาถ้ามันมันแช่เป็นในชาติก่อนๆนู้นนะเกิดมาเป็นคนมันก็ใช่มันแช่มาข้ามภพข้ามชาติแช่เป็นแต่เด็ก เพราะาเราเห็นหลายคนแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกจิตแต่แช่มาแล้วก็มีอาการไปตรวจเลือดไปไปหาหมอเก่งๆมาเยอะปรากฏว่าเป็นภรรยาของผู้ใหญ่ดยแช่แช่จนเกลเลือดต่ำแล้วก็หมอบอกว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพรองทำลายตัวเองทาลายตัวเองเราไปให้ดูเราไปดูแล้วไม่ใช่แช่เราให้อธิษฐานจิตให้ปรับให้อธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คบิดามดากูบาอาจารย์ละบุญบารมีตัเองทำมาแล้วขอให้ท่าทุกท่าขันทุกขันจงกลับคืนสู่ความเป็นปกติต้นชาติเดี๋ยวนี้พูดตามเราซ้ํำๆๆหน้ากันแดงหนามเลือดสูบฉีดเต็มเลยนี่แสดงอาการของมันแช่เขาปรับให้ท่านขันเป็นปกติหายเลยแต่บุตรชายหายแป๊บเดียวเนี่ยความเคยชินมาคําพกขำชาติมันกลับไปแช่อกลับไปแช่แล้วก็ตายตายได้จริงขนาดลูกศิษย์เราหลายคนเราไปช่วยเอามาตั้งหลายครั้งมันยังกลับไปแช่กลับมาก็ไปแช่ ตัวเนี้ยอันน่ากลัวมากอย่างเงี้ยวิธีเราจะหลุดรอดจากความตายแล้วเนี้ยที่เราคอรจะไปแช่งเนี้ยไอ้พวกแช่ว่าทำถ้ามันติดอยู่ในโลกแบบนี้นะทีโเราเกีนั้นเนี่ยมันติดอยู่ในอาการแชร่แบบเนี้ยแช่จนกระทั่งมันอยู่ในโลกของมันเองเขาเรียกว่าโลกที่ไม่สนใจใครไม่สนใจอะไรเลยอยู่ในโลกของตัวเองโลกแช่สบายไม่พูดไม่จาอะไรกับใครแชร่อ ย, อยู่ในนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้ามันแช่หนักๆเข้านี่ย มันสร้างห้องมันสร้างห้องกับมาได้เลยในใจแล้วมันไปไอ้เรียกแล้วห้องว่างห้องนิ่งห้องเฉยเนี่ยมันแช่ในนั้นเนี่ยจุดชําเลยแหละแช่แช่ชําอยู่ในห้องนั้นเนี่ยอะไรพวกนี้ยเวลาตายแล้วมันจะถูกไอ้ไอ้ความรู้สึกที่มันสบายสบายที่มันนิ่งเฉยว่างๆเนี่ยมันหุ้มไปเลมันหุ้มจิตมันหุ้มจิตที่ที่ที่ไอ้ที่มันยึดถือเนี่ยที่จิตยังมีความยึดถือเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นกายปรงแสงเนี่ย ไอเนี่ยมันก็หุ้มไปเลยนะหุ้มจิตที่มันยังมีความยึดถือที่จะไปเกิดอีกเนี่ยมันก็หุ้มไปเลยไอมันหุ้มไปแล้วไร้พวกเนี้ยถ้าแช่ดนักๆเข้านะแต่จิตจะแช่ภายในใจมันเนี่ยแม้มันจะไปอยู่ในร่างกายของโปร่งแสงนะแต่จิตแท้ๆของมันเนี่ยที่มันยังยึดถือไว้เนี่ยมันถูกไอ้นี่เลยไออารมณ์หรือความรู้สึกหรือเวทนาเนี่ยที่มันเป็นสบายว่างๆเนี่ยมันมันแช่แล้วมันหุ้มอยู่ภายในจิตนั่นเลย จิตที่ยังยึดถือนะ่ะแล้วก็ไปเกิดเป็นพวกเนี่ยมีโอกาสไปเกิดเป็นพวกออสซิติกดาวเซนโดมเป็นเด็กพิเศษเลยน่ากลัวมากพวกเนี้ยวิธีแก้ที่เราจะไม่ไปติดอาการเหล่าเนี้เนี่ยเราต้องเข้าหาผู้รู้วิธีเข้าหาผู้รู้ก็ต้องถามว่าใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รู้อารมณ์หรือความรู้สึกที่มันโปร่งโล่งเบาสบายมันว่างมันเฉยมันนิ่งมันไม่คิดอะไรมันไม่คิดอะไรมันว่างจะไม่คิดอะไรเนี่ย ใครเป็นคนรู้ต้องถามต้องถามเออนิดเดียวพี่กลับมาพี่กลับมาหาผู้รู้ว่าใครเป็นคนรู้ถามใจตัวเองถามใจเจ้าของก็บอกใครเป็นคนรู้ก็เราเนี่ยเป็นคนรู้เราเิีเป็นคนรู้ใครจะเป็นคนรู้เราว่าเราสบายใจไม่สบายใจใครไม่รู้เราก็เราเป็นคนรู้เราเป็รู้เราก็รู้ตรงที่เรารู้เนี่ยแหละเรารู้เนี่ยตัวเรารู้เนี่ยมันพูดได้แต่อาการที่ถูกรู้เนี่ยมันมันนิ่งมันเฉยอย่างเดียวแต่เราเนี่ยรู้เนี่ยเราพูดได้อมันมันเฉยแบบนี้ว่ะ ผูมันเฉยดีจริงๆนะมันว่างเขาเนี้ไม่คิดเลยไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเลยหนูไม่คิดอะไรเลยหนูว่างอย่างเดียวผมว่างอย่างเดียวผมไม่คิดอะไรชอบพูดกันอย่างเงี้ยแต่บอกว่าใครถ้าพูดจ่อยๆจ้อยๆเนี่ยไอ้ผู้ที่รู้เนี่ยพูดจ้อยๆจ้อยๆแต่ไอ้อาการเนี่ยมันมันไม่พูดมันก็แช่อยู่ก็ได้อาการที่มันไม่พูดมันก็ว่างเฉยอยู่ก็ได้แต่คนพูดพูดจ้อยๆว่าเฮ้ยคราวนี้มันทําไมว่างอย่างเงี้ยอาจารย์มันว่างมากเลยมันเฉยมากมันนิ่งมากว่างมากเฉยมากนิ่งมากชอบพูดกันนนออยยยย่่่างงงเเี้บไไมห็คพููด มันว่างอะไรคนไอ้คนว่างมันพูดไอ้คนนิ่งมันพูดแต่อาการว่างมันไม่พูดอาการนิ่งไม่พูดแต่ไอ้คนว่างมันพูดไอ้คนนิ่งมันพูดแต่เห็นตรงเนี้มันจะหลุดจากอาการได้ไอ้ตัวที่จะมาเห็นอันนี้ได้แหละสติไงสติต้องสังเกตเห็นอสติเห็นว่าไอ้ตัวผู้ไปรู้เนี่ยคือวิญญาณขันไปรู้แล้วมาส่งต่อเวทนาคือมันชอบใจไม่ชอบใจอาการนั้นถูกใจไม่ถูกใจ ถ้าถูกใจก็ไปสุขเวทนาไม่ถูกใจก็ไปทุกเวทนาถ้าเป็นกลางๆก็เป็นอทตุกรรมสุขเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอัตุกรรมสุขเวทนาตัวเนี้ยไอ้สติที่เป็นคนสังเกตเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยพูดมาหยุดแต่อาการเนี่ยมันนิ่งว่างเฉยหรือมันไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายแต่ไอ้ไอ้สติมันคอยสังเกตเห็นว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้มันดิน้นแล้วถ้าเกิดอาการที่ไม่ถูกใจมันดิ้นดิ้นหล่นผักสายเขาทางจะแก้งเมินไปเมินมาไม่ยอมรับรู้อาการหรือว่า อะไรทําเพื่อทําให้อาการที่ไม่ถูกใจมันหายไปแต่ถ้าอาการที่ถูกใจมันก็แช่เลยว่างสบายเบาแช่เนี่ยมันต้องถามผู้รู้ไอ้ผู้รู้พูดไม่หยุดเนี่ยเราจะหลุดจากอาการที่แช่ไอ้ตัวสติจะเปกวนเห็นเราก็เห็นมันเนี่ยเราก็เห็นมันอย่างเงี้ยเั้นทิ้งไม่ได้สติจะทิ้งแล้วไม่เห็นนละเออเออผมอันนี้นคําถามหนูตาคือว่าคือผมไม่ได้ไม่ได้ ทิ้งสติของผมหมายความว่าทิ้งไอ้ตัวที่มันเหมือนกับพยายามดูอะไรอย่างเงี้ยครับนะเมื่อไอ้ตอนแรกถ้าสมมติเราฝึกใหม่ๆที่เรายังหลงเยอะๆอยู่นะครับมันต้องเหมือนแบบคอยรู้ตัวใช่ไหมครับนะในขั้นแรกๆไอ้ตัวที่ที่ที่หาพูดกันคนละตัวกันตัวที่บอกว่าไอ้ตัวที่คอยดูจิตเนี่ยไอ้ที่ว่าคอยดูจิตปรุงแต่งไปดูจิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่ตัวสติที่แท้จริงโอเคครับไอ้ตัวที่คอยไปดูจิตเนี่ยมันคือมันคือความคิดปรุงแต่ง ที่คิดว่าเดี๋ยวเราจะคอยดูจิตดูความคิดให้เห็นทุกคิดเอ่อมันคิดเน่ะพอคิดปุ๊บมันก็ลงมือดูพอคิดปุ๊บมันก็ลงมือดูเอ่อนั้นไอการที่ไปดูจิตเนี่ย ไ, ไอตัวผู้ดูมันก็เป็นตัวปรุงแต่งตัวสังขารหรือตัวปรุงแต่งสังขารก็เรียกปรุงแต่งแต่ก่อนที่จะไปดูจิตอ่ะมันต้องคิดก่อนอว่าตอนนี้จะดูจิตแล้ตวตอนทาอะไรสักอย่รงมันก็มันก็ลืมดูไงตอนนี้มันต้องคิดก่อนว่าตอนนี้จะดูจิตไอไอการที่เข้าไปดูจิตเยคือความคิดอืมคือความคิด ไอสติเนี่ยคนที่มีสติทันเนีย่ยมึงยิ่งเห็นว่าไอตัวเนี้ยเป็นความคิดไอคิดจะไปดูจิตแล้วก็ลงมือดูจิตอันนี้คือความคิดไอผู้ดีดูจิตก็เป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเราก็ลองอไอผู้มีสติมันก็คือตัวไม่ดูก็ได้วะผมไม่ดูเพราะไอผู้ไปดูความคิดก็หายไปเพราะฉะนั้นเวลาไปดูจิตตามความคิดมันก็เลยหลงไปตามความคิดไอความคิดมันคิดให้ไปดูแล้วก็ไปดูมันคิดความคิดมันบงการสั่งให้ว่าให้ไปดูจิตไปดูความคิด แ้วก <g ül> ็ลงมือทําตามมันไงลงมือทําตามมันคือไอตัวบงการที่แท้จริงคือความคิดแล้วก็ถูกเราเนี่ยไปเป็นทาสของความคิดลงมาทําตามมันลงมาทําตามมันแล้วก็ไปดูจิตดูความคิดอันนี้ไม่ใช่สติอันนี้คือไม่มีสติคือไม่มีสติสติคือมันรู้ต้องทันว่าเนี่ยความคิดมันบงการให้ไปดูจิตดูความคิดแล้วไม่ดูวะไม่ดูก็ได้อะพอไปดูปุ๊บอ๋อเดี๋เห็นไหม ไอ้ผู้ที่ไปดูจิตดูความคิดเนี่ยมันเป็นตัวปุุงแต่งถ้าเราไม่ทำตามมัน อ, ะอ่ะเออมันก็ไม่มีอะไรอ่ ะ, อ ะ, อะเอาให้ดูเมื่อวานนะครับผมก็นั่งอยู่ในห้องวิวก็จะจะเขาจะชวนคุยผมก็จะปฏิบัติทำวิวเขาก็ถามวะพี่จะดูจิตเหรอแค่นั้นผมเฮ้ยผมลงนี่คือเราตั้งใจว่าจะดูจิตนั่นแหละคือเราลงแล้วใช่ใช่นั่นแหละเมื่อวานก็เจอก็เลยยังขอบคุณเขาเ้ย ข, ขอบคุณนะเมื่อวานเนี่ย คือ <c ười> เราตั้งใจจะทําอะไรนั่นแหละคือเราลงแล้ะ เ, เราเป็นตัวเป็นตนแล้ะนั่นแหละคือเราเราเราถูกความคิดมันหลอกบงการเนีายมันบอกให้เราทําอะไรเราก็ลงมือทํามันไป<ช>แล้วเราก็ไม่เห็นว่าไอการที่เราทําตอนนี้นี่คือเราเริ่มปรุงแต่งตั้งแต่แรกแลละใช่ะเราไม่รู้ว่านี่คือความปรุงแต่งครับอันนี้ไม่ได้สตินะไอสตินี่คือคือรู้ว่าเรากําลังหลงไปทําตามมันแล้วเราก็เริ่มเสียเราก็เห็นว่าไอนี้ไม่เที่ยงเนี่ยไอตัวที่จะไปดูจิตเนี่ยคือมันตัวปรุงแต่ง มันเป็นตัวปูแก่งเราให้ไปทําตามกิเลสมันเป็นกิเลสนะออมันเป็นกิเลสกิเลสคืออยากจะไปดูจิตเพื่อให้มันนะ่ะทิ้งกิเลสแต่จริงมันเป็นกิเลสเข้าใจไหมทีนีพอพอห่างก็เข้าใจแล้วเพราะอะไรห่างไม่ไปเป็นอย่างนั้นไม่เป็นกรณีอย่างที่พูดนี่ห่างเป็นความรู้สึกตัวใช่ไหมคือรู้สึกตัวไม่ได้เข้าไปดูจิตอะไรห่างไม่ได้ดูจิตอะไรบอกว่าอยู่อยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันก็ถูกต้องแล้วอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน อการที่ห่างมีความรู้สึกตัวในปัจจุบันแล้วไม่ไม่ไม่หลงเข้าไปยึดถือสิ่งใดาภายนอกตัวเองแล้วก็ไม่เข้าไปโดนความคิดบงการว่าให้ไปดูจิตแล้วก็เริ่มลงมือดูจิตเอออย่างนี้เราก็ไปถูกความคิดปรุงแต่งมาหลอกเอาเราก็ห่างก็อยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติเอแต่ยังไม่บรรลุวินิพพานเพราะอะไรยังอ่านใจไม่ขาดว่าเออที่ที่บอกว่าหลงหลงมันมีกรณีต่างๆนะะ หลงส่งจิตออกนอกหลงเหม่อหลงเผลอหลงเผลอหลงตาลอยใจลอยหลงหมกมุ่นเออหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องโลกโลกออกไปนอกตัวเองหลงหมกมุ่นเรื่องคิดหลงหมกมุ่นในเรื่องธรรมเรื่องฝึกจิตเรื่องพระนิพพานเนี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่ที่ไม่เห็นละเอียดมากคือตัวจะจบตอนท้ายเนี่ยคือตัวนี้ตัวที่จะบรรลุนิพพานตอนท้ายก็คือตัวจบก็คือว่ายังหลงหมกมุ่นคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานเกี่ยวกับเรื่องฝึกจิตเกี่ยวกับเรื่องว่านี่เรารู้สึกตัวหรือเปล่าเนี่ย เรารู้สึกตัวอยู่แต่เรากลับไปหมกมุ่นว่ะเอ้ยนี่เรารู้สึกตัวหรือเราไม่รู้สึกตัวหรือเราหลงอยู่อันนี้ก็หมกมุ่นเนี่ยเข้าไปหมกมุ่นเอตัวไหนจะช่วยเราได้ตัวสติกั้ตัวสติจะช่วยได้ปะนี่เองหมกมุ่นไม่ได้รู้สึกตัวหรอเองหมกมุ่นเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยหลงอย่างเงี้ยหลงหลงเข้าไปหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นบุดุ๊ดคุณคุุดเข้าไปแล้วทำไมหมกมุ่นเรื่องนิพานหมกมุ่นเรื่องการฝึกจิจหมกมุ่นเรื่องเหตุุเร่่ออผผลลหหาาาากิิด้้นนนนนคพขไปม อย่างเงี้ยแต่อ้าวนึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่เข้าไปหมกมุ่นแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่านี่เรากําลังขยันปฏิบัติธรรมเราเห็นแล้วมันเข้าไปหมกมุ่นผอบอกว่ารู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่แล้วดูแล้วไม่ได้รู้สึกตัวเราเข้าไปหมกมุ่นอืมหมกมุ่นพอไม่หมกมุ่นเรื่องโลกหมกมุ่นเรื่องลูกหมกมุ่นเรื่องคนนั้นคนนี้ก็หมกมุ่นเรื่องการฝึรกิตหมกมุ่นทั้งสุทั้งคู่เน่ยพอไม่ได้หมกมุ่นเรื่องการธุรกิจก็ไปหมกมุ่นเรื่องลูกหมกมุ่นเรื่องเร่า้แลวว็จ เรื่หมกบุญเรื่งโลกว่าอะไรตอนนี้จะเข้าปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมพอเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติละหมกบุ่นเรื่องการฝึกกินเข้าใจไหมเรื่อมันหมกมุ่นทั้งโลกทั้งทั้งธรรมแหละแต่เข้าใจว่าอีตอนนี้ที่เขามาชั้นต่อไนี้ชั้นจะปิดประตูเรื่องโลกชั้นเป็นคอร์สเข้าปฏิบัติธรรมแทนคอร์สเข้าปฏิบัติธรรมแต่แทนที่จะมีสติรู้ว่าตัวเองหมกบุ่เนี่ะแต่ปราก็หมกบุ่นเรื่องการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมอันนี้ห่างจะเริ่มรู้แล้วว่า ไอการที่ความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะเพราะมันมีสติจริงๆสติเนี่ยมันจึงเป็นมหาสติถึงจะเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพระนิพพานคือมันหมกมุ่นยังรู้เลยว่าหมกมุ่นอะไรอยู่อ่ะนี่ถ้ามีสติจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่หกมุ่นกัก็คือสตินั่นเนี่ยเป็นตัวปัญญาไปด้วยสติปัญญาเออแล้วสติสตินั่นเนี่ยเป็นมหาสติก็เป็นนิพพานไปด้วยคือมันทิ้งไม่ได้สตินี่ตลอดสายถ้าทิ้งสติมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันหมกมุ่นก็ไม่รู้หลงก็ไม อย่างนี้มันก็เลยเป็นขั้นตอนที่บอกว่าหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาคือหลงออกไปเนี่ยนอกตัวเราเลยเนี่ยหลงไปหลงส่งจิตออกนอกเข้าไปเกาะเกี่ยวผัวพันวุ่นวายไปเชื่อคนคิดที่แทนเข่าวไปนอกตัวเราเลยไปหาคนนั้นคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอันนี้มันต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็หลงว่ยุ่งกับอาการของใจยุ่งกับเวทนาจิตเป็นอ่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่ดีไม่ถูกใจก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเป็นอย่างงั้นพอมันดีกก็อยาจะให้มัน ดีอย <Buddha> ่างนี <sixth alien> ้ตลอดไปไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมีทั้งอยากไม่อยากตลอดอ่ะเออถ้าดีก็อยากให้มันคงอยู่ถูกใจก็อยากมันคงอยู่เช่นโป่งโล่งเบาสบายว่างๆนิ่งๆเฉยๆก็อยากให้มันคงอยู่ไม่อยากให้มันมีอาการเปลี่ยนไปแต่พออาการทองจิตที่มันไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่ว่างมันแน่นมันอึดอัดมันทึุก็วุ่วายวุ่วายทีโพลทีพายนิดร่นผักใสหาทางอยากให้มันเปลี่ยนไปแล้วก็แก่งทำเป็นเมินไปเมินมาหานน่นทําหานี่ทําอันเนี้ย มันก็เรียกว่าคนโง่คนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการณ์ไปในใจตัวเองแต่คนฉลาดนะจะหลีกหนีความปรุงแต่งเนี่ยหมกมุ่นคุณคิดเนี่ยคือความปรุงแต่งหรือว่ามันปรุงแต่งให้เราเข้าไปดูจิตเราก็ไม่เห็นมันแต่เราไปทําตามมันอวันนี้เราไม่ได้ดูจิตเลยวันนี้แต่เราก็เริ่มลงมือดูจิตไอ้ที่เราเริ่มลงมือดูจิตน่ะเราหลงแล้วหลงปรุงแต่งตามมันแล้วมันปรุงแต่งให้เราไปดูจิตตามมันน่ะมันคิดก่อนนะอวันนี้ไม่ได้ดูจิตเลยอะดูจิตสักหน่อย อา้าวมันคิดให้ไปดูจิตกูก็เริ่มลงมือดูจิตเลยใช่ไหมเนี่ยมันความคิดมันหลอกคุณอ่าแล้วก็เดี๋ยวกูก็จะถามวา่อาอาจารย์ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ดูจิตแล้วจะทำอะไรเออ <laughs> ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะถามสิว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ให้ดูจิตแล้วจะทําอะไรจะปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติแล้วนี่ก็ต้องคือสตินี่ไงพราะมันมันหลงมันคิดปุ๊บว่าให้เข้าไปดูจิต เออเราก็ลงมือไปดูจิตมันเราก็มีสติกะหลงตามมันแล้วหลงตามตามมันแล้วก็เลิกเดี๋ยวมก็พอไม่ไม่เข้าไปดูจิตมันก็ไปคิดเรื่องหรือเรื่องโลกเรื่องคนด้านเรื่องคนนี้ฟุ้งซ่านไปแล้วก็หลงไปตามความคิดอีกเราก็มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวพอมันไม่ไม่ไปหลงเรื่องโลกมันก็เข้ามาหมกมุ่นเรื่องการฝึกจิตหมกมุ่นเรื่องการฝึกจิตทั้งวันเนี่ยหมกมุ่นทั้งวันแล้วก็บอกว่ามีสติรู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกตัวเรา ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเรื่องจิตเรื่องอาการของจิตเรื่องนิพพานเรื่องความรู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวไม่ไปรู้สึกตัวเอ๊ะมันถูกหรือผิดเอ๊ะมันดิ้นรนขนหนาก็อหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาหานิพพานหุดหุดมันหมกๆๆมุ่นอย่างเงี้ยหมกมุ่นแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวอันนี้ไม่ได้ฝึกจิตนะหลงหลงหลงแล้วไม่มีสติอพี่เขาค่หนูไม่ได้จะชวนคุยหนูเห็นเขานั่งเหม่อค่ะก็คือเหมือนกับว่าคือเขาคิดว่าเขาปฏิบัติแต่จริงแล้วมันเหมือนการนั่ง นั่งแบบเผลอไปแต่ว่าในใจมันจะเหมือนบอกว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมอย่างนี้ยค่ะหนูก็เลยถึงได้ทักว่าดูจิตอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงปา่นั่นแหละคนทั้งหลายก็เข้าใจอย่างนี้เวลาพูดเขก็จะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ตัวคือเขาเนี่ยนั่งเมอดูจิตอยู่ข้างในเขาดั่งเมอดูจิตอยู่ข้างในใช่ไหมแต่เขาก็ใจว่าเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมแต่คนอื่นมองเห็นเนี่ยมองเห็นว่าเขานั่งเมอมีอาการเมาออยู่ข้างในแต่เขาเนี่ยนี่ยเอ่อมันบอกว่าปฏิบัติธรรม เวลาเราบอกเขาก็งงเอ๊ะก็เขาขยันปฏิบัติธรรมสักขนาดเนี้ยแต่จริงๆมันเม่อนั่งดูจิตอยู่ในอย่างเงี 2> 2> ้ยเราเรียกว่ามันหลงหมกมุ่นคุ้นคิดมันเม่อหรือว่าหลงหมกมุ่นคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องการดูจิตตรงนี้ความคิดมันบงการเราก็เนี่ยหลวงปู่เทียนเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่เทียนจิตตสุโภที่ท่านดูความคิดดูจิตดูความคิดดูความคิดดูความคิดจนได้ทุกคิดเลยเห็นได้ทุกคิดเลยหยดยิบเลยตัวตายมีใครไม่รู้มาผักท่าน เหมือนกับมีใครมามาซุกม า, มาสุกท่านก็คือมาผักท่านผลักไปข้างหน้าแต่ก็หันมาหาคนผักเอนะไม่เห็นคนผัก่ะพอไม่เห็นคนผักปุ๊บอเอามาเริ่มดูจิตมาดีกว่าแล้วก็เริ่มคิดจะมาดูจิตท่านเออขึ้นมาเลยฮนี่มันไอความคิดจะดูจิตมันก็คือความคิดนี่แต่เราเนี่ยเอาความคิดเนี่ย ไปคิดดูจิตดูความคิดแล้วเราก็ไลยดูทุกความคิดเลยแต่แท้จริงอ่ะเราไม่เห็นว่าเนี่ยคือความคิดที่จะไปดูจิตก็คือความคิดเลยเราเนี่ยเอาความคิดไปดูความคิดมาแต่จริงอ่ะแต่จริงเราเลิกว่าเราดูความคิดแต่ความจริงเราทําตามความคิดของเราแล้วหลงไปทําตามมันมันคิดให้เราดูความคิดเราก็เลยดูความคิดแต่เราเนี่ยบอกเราเห็นทุกคิดแต่เราไม่เห็นไอ้ความคิดที่มันคิดให้เราไปดูความคิดพอท่านเห็นปุ๊บก็มาเป็นความคิดแล้วไอ้ไอ้ผู้ดูเนี่ยผู้ดูจิตมันก็ไม่ใช่ท่านรู้ที่เป็น ที่เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนที่เป็นสุญญตาธาตุเพราะมันเกิดดับได้เพราะไอ้ธาตุรู้ที่เป็นรู้ตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับไม่ได้อันนี้มันทําไมดับได้เมื่อกี้หันไปดูคนผักไม่มีคนผักเนี่ยมันดับไปแล้วตอนนี้จะเกิดใหม่ก็คือคิดจะมาดูความคิดใหม่ผมคิดจะมาดูความคิดใหม่อ้ามันเพิ่งจะเกิดนี่เมื่อกี้ไอ้ผู้ดูมันดับไปแล้วไอ้ผู้ดูผู้รู้มันดับไปแล้ว พอคิดจะมาดูความคิดใหม่เอา้าไอ้ผู้ดูผู้รู้มันเกิดเอา้ามันเกิดมาตามความคิดนี่โอ้ท่านเลยเข้าใจในโดยความคิดหลอกถ้าก็เลยวางไม่ได้เนี่ยที่ว่าวางว่ า, วาปล่อยวางผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้ก็คือฆ่าผู้รู้ตัวเนี้ยฆ่าผู้รู้ที่ที่ไปไปดูหรือไปรู้จิตตามตามบกที่ความคิดมันบงการคือฆ่าผู้รู้ตัวนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งสตินะเข้าใจไหมฮะแต่ไอ้ตัวสติมันมาช่วยเราทําให้เราเห็นว่าเนี่ย เราไปดูหรือไปรู้ไปรู้ความคิดหรือไปดูจิตเนี่ยตามความคิดเป็นบงการไอ้นัน่นแหละตัวสติไอ้นั่นต้องเอาไว้ไอ้ตัวสติมันคอยมาช่วยเรามาช่วยมาช่วยให้เราได้เห็นมันครับเมื่อวานก็ยังคุยกับวิวว่าเออจริงๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะเป็นนั่งแยกมาดูจิตคือถึงแม้วิ ว, วเขาชวนคุยผมคุยอยู่ก็ปฏิบัติธรรมได้ก็คือมีสติอยู่อาการคุยเท่านั้นเองครับนั่นแหละคือการปฏิบัติแต่ผมจะกลับบวกวมาดูจิต พอจะมาดูจิตนันน ะ, นะ los, มันคือมันหลงไปแล้วอ่ยอันนี้มันมันละเอียดมากละเอียดมากอย่างเงี after, ้ยจนกระทั่งเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวแล้วเราจนกระทั่งเราเห็นรู้อ่านขาดมาเราไม่ได้เข้าไปหมกมุ่นกับเรื่องอะไรเลยแม้แต่หมกมุ่นในเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องการฝึกจิตเรื่องการดูจิตก็ไม่มีมิตแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่จริงๆว่าความรู้สึกตัวอยู่อะไรก็คือรู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมลงไม่หมกมุ่นกับอะไรเลยไม่จะบอกอยู่โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ บอกว่าอยู่เก่จุบันแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีสติรู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคือมีสติอยู่รู้ว่ามันไม่ได้หลงไม่กีกับอะไรแล้วไม่เลยหลงก็เป็นหมกบุ่นกับการฝึกจิตเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่หลงก็เป็นหมกบุ่นเรื่องอนิพานนี่ะที่หลายคนตอนนี้ตัดประตูทางโลกเลยตัดประตูทางโลกว่าเอาละไม่เอาละตอนนี้ใครจะมายุ่งช น, นะฉันจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม <c oughs> ลูกลูกผัวลูกมีอะไรมันจะมายุ่งกับฉันนะตอนนี้ไม่เอาแล้วฉันจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมพอเข้าปฏิบัติธรรม มันบอกว่าไม่ไม่ไม่หมกมุ่นเรื่องโลกแล้วแต่หมกมุ่นเรื่องธรรมเราเห็นแล้วหมกมุ่นเรื่องนิพพานหมกมุ่นเรื่องความรู้สึกตัวหมกมุ่นเรื่องการฝึกจิตเรื่องเครียดกว่าเดิมไหมครับเมื่อเครียดกว่าเดิมโอ้ยเครียดซะเนี่ยเราก็ไม่เห็นเลยหมกมุ่นไอ้ตัวนี้เราคงไม่มีสตินะมีสติมันต้องรู้ตัวขึ้นมาเอ้ยกําลังหมกมุ่นเมีสติมันรู้ตัวขึ้นมากําลังหมกมุ่นของวิวจะคล้ายค้ายของห่งอะค่ะคือเหมือนกับว่าคือเราจะดูดูดูจิต เหมือนกับว่าเห็นว่าอะไรมากระทบอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือฝึกมาเหมือนกับว่าถ้ามีอารมณ์อะไรเราก็คือรู้ว่าเรามีอารมณ์คือมีสติรู้แล้วก็ไม่หลงตามความคิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ไปถึงขั้นสุดท้ายที่หลวงตาสอนในหนังสืออะค่ะก็คือรู้ว่ามีอารมณ์อะไรแล้วพอเรารู้สมมติเราโกรธเราก็รู้ว่าโกรธเราหลงเราก็รู้ว่าหลงอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแต่ว่ามันยังไปต่อไม่ได้ตรงที่ว่าคือพอเรารู้ปุ๊บเรารู้ว่าเราเกิดอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเราหลงแล้วเรารู้ รู้เสร็จแล้วพอมันหายไปไงค่ะเราก็คือไม่ได้ไปดูที่ต้นจิตว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปต่อยังไงอะค่ะหลวงตาก็คือมันไม่หลงแล้วไงไม่ไม่ไม่หลงไม่ไม่หลงไปนอกตัวเราใช่ไหมไมหลงส่งจิตออกไปนอกตัวเราแล้วก็ไม่หลงเข้าไปหมกมุ่นกับอาการใช่ไหะอ่าเราก็ดูว่าเราก็สังเกตนะสังเกตไใ้ตัวสติเนี่ยสติก็สังเกตดูว่ามันยังหมกมุ่นไหม เราไม่มอไม่ไม่ไม่หลงไปนอกตัวแล้วส่งจิรนอกไปตัวแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปปรับแต่งปรับปรับแต่งแก้ไขอาการของจิตแหละแล้วก็ไม่ปรับด้วยคือไม่ไปปรับแต่งแก้ไขอาการของจิตด้วยคือจิตเป็นงนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นอยากให้เป็นงนี้เราไม่ปรับแต่งด้วยเมื่อเราไม่มีเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตไอ้สติเนี่ยเป็นตัวสังเกตเห็นว่าเรายังหมกมุ่นคุนคิดหรือคิดหมกมุ่นหรือหมกมุ่นกับการดิ้นรนค้นหาพระนิพพานดิ้นรนค้นหาธรรมดิ้นรนค้นหาทางบรรลุพพนิาม อันเนี้ยหรือว่าไม่มีไม่มีพ็จะบอกได้ว่าไม่มีไม่มีนี้ก็คือคุณก็ไม่ไม่ไม่มีหลงอะไรแล้วแต่ถ้าคุณมีกูก็ต้องเห็นเดียวข้างในเนี่ยมันไม่ไปส่งจิตออกนอกไปหาใครไปรักไปชังวุ่นวายอะไรกับใครแล้วก็ภายในก็ไม่ไปปรับปรับแต่งแต่งแก้ไขอาการท้องใจไม่ไปติดแช่ในในในอาการใจที่ที่ถูกใจแล้วก็ไม่ไปปรับแต่งแก้ไขอาการที่ไม่ถูกใจ มีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันที่ห่างบอกว่ามีสติรู้ตัวในปัจจุบันแต่คุณมีความสาติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจริงหรือเปล่าหรือว่าหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นแต่เรื่องเรื่องธรรมเรื่องมรรคฐานเรื่องการฝึกจิตนี่ถูกเปล่าเราทำไมไม่ถูกหรือไม่ถูกไอ้นี่มันรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวเอ๊ะมันนี่มันหลงหรือเปล่าเนี่ยหลงแล้วเราไม่รู้มองไหมอันเนี้เราก็จะเห็นแล้วว่านี่เรายังเราหลงอยู่นะเนี่ยเร า, เราว่าเราไม่หลงอไอ้เราคิดว่าเราหลงหรือเปล่าเนี่ยเรากุ่่่นนแตเเรืองี้ย ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรอบตัวแล้วใครเป็นยังไงไม่ไมอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรอบตัวไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจแล้วหมกมุ่นแต่กุดลกุศลกุกุศลกุศลุศแต่ภายในของตัวเองอะว่าไอมันหลงหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่หลงไอเนี่ยอย่างงี้หรืเปล่าเนี่ยแล้วจะไปยังไงเราถึงนี่ทำงนานที่มันปณิพนันไอเราเราเป็นยังไงปณิพนานมันเป็นยังไงเอะแล้ว เราจะเป็นงี้ป่าเอ้ยอย่างนี้เอ้อย อ, อย่างนี้ถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่อย่างเนี้ ย, ยตลอดเวลากึกูกูึกูกกกกกกกกกกกูเนี้ยอันเนี้ยไม่สนใจใครเลยอย่างเงี้ยคนอื่นเห็นว่าเราเน่ยเมอเมอหมกมุ่นอยู่เนี้ยก้มหน้าก้มตางุดงุดงุดงุดงุดเงี้ยคนอื่นเห็นเราเหมอแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเหมอแต่เราเนี่ขยันที่สุดเลยเราเราขยันปฏิบัติทำที่สุดเลยเราขยันดูจิตขยันเช็คขยันตรวจสอบที่สุดเลยแท้จริงอ่ะเราเนี่ยหมกมุ่น หลงหลงไปหมกบุ่นห ม, ห ม, หมกบุ่เนเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องจะบรรลุบริพานเนี่ยเราก็ต้องมีสติเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะช่วยช่วยให้อ่ามีสติขึ้นมานี่เราสติเองไม่มีเดี๋ยวคนอื่นกระทักนะหมกบุ่นอะไรทั้งวันเนี่ยอ่าเดี๋ยวคนอื่เป็นสติให้เราแล้วหมกบุ่นอะไรทั้งวันเนี่ยเห็นงุ้นงุ้นุ้นุไม่พูดกับใครเลยอย่างเงี้ยก็คนอื่นก็เป็นสติให้เราแล้วเราก็เลยมีสติขึ้นมาถ้าเกิดว่าเรามีสติเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันนตตลอออดยย่่าาาางเเีี้้หวถืร ได้ลงไปทำฆ่าทาการฆ่าผู้รู้หรื อ, อยังคะหรือว่าต้องมีแอคชั่นอะไรเพิ่มไหมคะเราก็ อ, อ่านใจเราขาดว่าเราเนี่ยถูกความคิดมันบงการบอกว่าเอาให้ไปดูจิตตอนนี้ไม่ได้ดูจิตเลยคุณมัวจะทํำอะไรอยู่ให้ดูจิตแล้วคุณก็เริ่มเข้าไปดูจิตอันนี้ยอย่างเงี้ยคุณไปทําตามไปทําตามความคิดที่มันคิดให้คุณบงการให้คุณเข้าไปดูจิตอย่างเงี้ยเราไปทําตามมันไม่เรียกว่าฆ่าผู้รู้ฆ่าผู้รู้คือเราเห็นมันว่าความคิดมันบงการให้เราเนี่ย เข้าไปดูจิตแล้วเราก็เห็นมันรู้้งทันมันแล้วเราก็ไม่ทําตามมันแล้วก็วางมันไปอย่างงี้เรียกว่าฆ่าปูรู้ปปูรู้ฆ่าปูรู้คือเห็นมันซะก่อนแล้วเรียกว่าพบนะต้องพบะต้องพบมันซะก่อนละฆ่าฆ่าพบว่าเอ้ยนี่มันเป็นความคิดบงการให้เราเข้าไปดูจิตไปดูไปดูจิตไปรู้จิตเราเห็นว่าไอ้ผู้ดูจิตรู้จิตเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่มันเกิดดับตามความคิดนี่คิดให้เราเข้าไปคอยดูจิตไปรู้จิตพอเราเผลอเมื่อไหร่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอีกเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวความคิดก็บอกเราทํางานทั้งวันเลยไหมเข้าไปดูจิตแล้วเราก็เริ่มเข้าไปดูจิตตามความคิดอันนี้เราหลงไปตามความคิดมันบงการไอ้ไอผู้ดูจิตรู้จิตอันนี้มันเกิดออกได้มันเป็นจิตปรุงแตง่งแสดงว่ามีสองอย่างหรือเปล่าคะเหมือนกับหนึ่งคือจิตที่บงการให้ทํากับสองคือผู้รู้จริงๆที่เป็นธาตุผู้รู้จริงๆที่เป็นธาตุผู้รู้ก็คือว่ามันก็รู้ตัวอยู่นี่ไงว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วไม่ได้หมกมุ่นอะไรแล้วอันนี้คือธาตุรู้ที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าหลงไม่หลง ก็มารู้อยู่เนี่ครับว่าเออแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่หลงโทจิตอ่อนอกไปนอกกายแล้วไม่หลงไปปรับแต่งอาการของใจแล้วก็ไม่หลงเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดวุ่นวุอยู่ภายในหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาพันิพานให้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือเราไม่รู้สึกตัวหรือเราหลงอยู่เนี่ยเอะเราเราเราเป็นอย่างนี้หรเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็งุ้กงิกงุ้งงิงงุ้งงิงงุ้งงิงไม่ไม่สนใจอะไรภายนอกตัวเราแล้วไม่เองมันเรียกว่าคนรอบข้างนั่งอยู่ก็ไม่รับรู้เลยต้้นไม อะไรต่างๆรอบตัวเราเนี่ยไม่รับรู้แล้วเราสนใจแต่ข้างในยุกยุกยุกยุกยกุกกุกมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเรารู้สึตัวอย่างเปล่านี่เราเรื่อเราไม่รู้สึกตัวนี่เราหลงหรือเปล่าเนี่ยทํายังไงเราจะรู้นิพานนิพานมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอมันทํำยังไงเออเออเออบินแต่เครื่อหมายคําถามเต็มไปหมดเลยก็หมายก็รื่องจิ้มแต่ไม่หมดเลยอันเนี้ยมันหลงอยู่ไอตัวผู้รู ically, ้เนี่ยแต่แท้เนี่ยที่เราไม่หลงไปดูจิตอนะไอตัวที่มันสติที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาว่า เนี่ยหลงอยู่เห็นไหมหลงอยู่ยหลงอยู่เนี่ยหลงหมกมุ่นอยู่ไหมเนี่ยหลงหมกมุ่นในธรรมหลงหมกมุ่นนิดหล่นข้อหาวันนี้านไอ้ตัวสติมันเป็นช่วยช่วยแล้วก็ทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาอ่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวมานีคนอื่นคนข้างๆอ่ะก็เตือนมาบอกว่าเนี่ยหลงหลงหมกมุ่นอะไรหลงเมออะไรอยู่เนี่ยอะเมอเมอเมอเมอทาอะไรอยู่ภายในเมอมองอะไรอยู่ภายในเอาก็เลยรู้สึกตัวมาเออนึกว่าขยันฝึกจิตแต่แท่เมอแค่หมกมุ่นอ้าวก็เลยรู้สึกตัวขึ้นมาคนอื่นเป็นสติให้แล้วเราก็เลยมีสตติิพอมสรจ เราก็อ่านใจเราขาดว่าเออตอนเนี้ยไม่ได้หลงไปทําตามอะไรเลยไม่หลงส่งจิตออกนอกไปยุ่งวายกับคนตาอตรงนี้ครับสําคัญมากครับคือว่าผมวันเที่ยวที่แล้วที่มาที่เดินจงกรมครับมันก็จะเห็นผู้รู้ที่พูดได้พอเห็นผู้รู้ที่พูดได้คือหมายความว่าพอรู้เฮ้ยเรารู้แล้วนี่เราก็ไอ้อที่ว่าพูดว่ารู้แล้วนี่เนี่ยก็คือพูดได้เนี่ย พอถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะมีคําพูดตลอดนู่นนั่นนี่นี่นั่นเฮ้ยเรารู้เราเรามีสติแล้วเรานู่นนั่นนี่สุดท้ายเราก็เห็นว่าทุกอย่างที่มันเป็นผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยมันเกิดดับในความว่างคือไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเลยคราวนี้ไอ้สุดท้ายตรงไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือมันคือความว่างที่มันไม่มีอะไรเลยที่แบบไม่มีจริงๆพอมันไม่มีจริงๆก็เลยเ อ, อพอฟังหลวงตาอธิบายที่ว่าเ อ, อจะถึงจุดที่ว่า รู้ตัวว่าไม่ส่งจิตออกนอกแล้วไม่หมกมุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยผมก็เลยสับสนระหว่างที่ว่าความว่างที่มันไม่มีอะไรเลยเพื่อให้อะไรก็ตามไปเกิดบนความว่างที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่ามันจะแสดงตัวเพื่อให้ตัวเองเข้าใจได้ยังไงครับว่าเอ๊ะเราไม่ส่งจิตออกนอกแล้วไม่หมกมุ่นแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไอตัวที่เราเข้าใจว่าเราไม่ส่งจิตออกนอกแล้วไม่หมกมุ่นแล้วมันก็คือผู้รู้ที่พูดได้อยู่อย่างเงี้ยครับมันก็คือกลับข้างกันนะครับ ไอ้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยมันมันถูกรู้ด้วยใครเป็นคนมารู้ว่าไอ้ผู้รู้หรือวิญญาณขันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผู้รู้อันแรกที่ที่มันพูดได้คือวิญญาณขันมาทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารในขันห้ามันเลยเป็นผู้รู้ที่พูดได้เหมือนกับผู้รู้ก็คือตัวเราเนี่ยรู้อะไรเราก็พูดได้ในใจแต่ใครเรามารู้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยพูดได้ไอ้นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งไงใครมารู้ว่าเนี่ยไอ้วิญญาณขันที่เป็นผู้รู้เนี่ย หรือตัวเรารู้เนี่ยตัวเรารู้อะไรตัวเราก็พูดได้ตัวเราเห็นตัวเราก็พูดได้ตัวเราได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสรู้อาการของใจรู้ว่าใจมันว่างไม่ว่างมันก็พูดได้ไอตัวที่รู้ว่าพูดได้เนี่ยมันเป็นวิญญาณขั น, <อ>มนไม่แต่ว่างเนี่ยไม่แต่ว่างอะไอมันรู้ว่ามันก็พูดได้คือคือตรงเนี้ยครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าตาคือว่าอย่างสมมติว่าอ่าผมพบผู้รู้ที่พูดได้แล้ว แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยมันเกิดดับบนความว่างนะไอ้ตัวหลังเนี่ยณ ป, นะปัจจุบันขณะนั้นมันก็คือผู้รู้ที่พูดได้สอนขึ้นมาอีกใช่แล้วพอเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เจอไอ้ผู้รู้ที่พูดได้ซ้อนหน่อยสอนสอ น, สอนขึ้นมาอีกไอ้ตัวหลังมันก็คือผู้รู้ที่พูดได้ขึ้นขึ้นมาอีกมันก็คืออยู่อย่างนั้นนะเกิดดับบนความว่างอยู่อย่างนั้นนะตลอดเวลาถ้าถ้าเราไล่ปัจจุบันขณะตลอดถ้าเข็มวินาทีมันกระดิกปัจจุบัันนทตลอ๊ มันก็คือเกิดดับบนความว่างตลอดใช่ใช่ก็พู้รู้ที่พูดได้ผู้รู้ที่พูดได้เกิดขึ้นมาจากความที่มันก่อนพูดมันก็ไม่พูดครับแล้วก็เสร็จแล้วมก็พูดแล้วก็ดับไปแล้วก็พูดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นผู้รู้ที่พูดได้ตลอดอ่ะครับไอ้พูดรู้ทีู่้รู้ที่พูดได้แต่ไอ้พูดรู้ที่พูดได้มันเกิดดับเกิดได้ไหนก็เกิดดับจากก่อนที่มันพูดมันก็ไม่ได้พูดใช่ก่อนที่คิดมันก็ไม่ได้คิดก่อนพูดมันก็ไม่ได้พูดก่อนคิดก็ไม่ได้คิดแล้วก็พูดดขึ้้นนมมมาาแแลวคคิตตุุ่่ณสเกัไอที มาพูดได้ว่าในผู้รู้มันพูดได้แหละมันพูดได้เดี๋ยวมันพูดได้ต้องกระดับไปแดีวมันพูดได้ต้องดับไปแสดงว่าใครมารู้ใครรู้มาคือคือผมเข้าใจตรงเนี้ยว่าว่าไอ้ที่เรามาพูดได้ในภายหลังว่าผู้รู้พูดได้พูดรู้พูดได้แล้วเกิดับมันก็คือผู้รู้ที่พูดได้เกิดชั้นตอนตอนตอนตอนมาอีกบนความว่างที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปล่อยมันเนี่ยแล้วมันจะมีมันจะมีผู้รู้ที่ที่รู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยผู้รู้ทุกตัวพูดได้ แต่มันพูดไม่ได้อมันจะมีอยู่ว่ามันเนี่ย เ, เป็นผู้รู้ตัวอยู่ไอ้ผู้รู้ตัวอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวนี้สํคาคัญมากนะห่างเลยตัวเนี้ยไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันเห็นหมดเลยว่าไอ้วิญญาณาขันเลยผู้รู้เนี่ยที่มันไปรู้อะไรมันพูดได้ตลอดเลยบ่นอยู่จุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยงี้ป่ะอย่างงี้ป่ะถูกป่ะอย่างงี้ไม่ถูกหรืออย่างงี้ถูกหรือถูกไม่ถูกอะไรมันพูดอยู่ตลอดเวลาตัวเนี้ยตัวนี้มีอยู่ตลอดนะครับ แต่ไอตัวที่มีอยู่ตลอดไอตัวนั่นก็คือว่ามันไกตัวที่รู้สึกตัวอยู่ตลอดว่าว่าไอตัวเนี้ยมันมีในใจเราเนี่ยมันมีตัวพูดได้ตลอดเลยออืแต่ไอตัวนั้นเนี่ยมันไม่ไปอยู่กับใครเลยไอตัวที่มันรู้สึกตัวว่าในใจเราเนี่ยมันมันกุ๊กกิกกุ๊กกิ๊กงงกิกงงิ๊กงงกิ๊กงงกิ๊กงงกิ๊ตลอเวลาแต่ไอตัวที่รู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้พูดอะไรเลยอมันไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คําเดียวมันได้แต่รู้ว่าในใจเราเนี่ยกุ๊กกิ๊กง ไม่ปรากฏอะไรเลยมันได้แต่รู้ว่าเนี่ยในใจเราเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ว่าพ่าผู้รู้ค่าผู้รู้นี่หมายถึงค่าผู้รู้ที่มันพูดได้ออไอ้ผู้รู้ที่พูดได้คือวิ ญ, ญญาณาาขันค่าผู้รู้ที่พูดได้จะเป็นวิญญาณขันทํางานร่วมกับเจตติกคือเวทนาสัญญาสั้งขับแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อต่อไปที่เราก็รู้เอาเกิดอะไรขึ้นแต่แต่เราก็ฆ่าสิ่งที่พูดอย่างนี้เหรอคะหลงตาฆ่าไม่ถึงว่าไม่ไม่เป็นหลงเอาไอ้ตัวที่เาาขาว่าฆ่าบู้รู้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นดับทาลายมันนะหมายถึงว่า ไอเราไม่ไปหลงเอาไปตัวที่ไอผู้รู้ที่พูดได้เป็นตัวเราว่า <Item>. <Rams. S 2> ตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นตัวเราเป็นคนรู้แล้วตัวเราก็พูดได้หรือตัวที่พูดได้เนี่ยไอตัวที่รู้แล้วพูดได้เป็นตัวเราเราไม่เอาไอตัวที่พูดได้เป็นตัวเราเพราะมันมีเหนือตัวนั้นขึ้นไปก็คือว่ามันมีไอผู้ที่รู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าว่าในใจเราเนี่ยมันมีผู้รู้ที่พูดได้และไอตัวนั้นเนี่ย มันเหนือกว่าไอ้ผู้รู้ที่พูดได้แล้วเราทำไมไปยึดเอาไว้ไอ้ตัวผู้รู้ที่พูดได้ที่เป็นคิดได้เนี่ยรู้อะไรก็คิดได้พูดได้อยู่ในใจคนเดียวเนี่ยมันเป็นตัวเราหรอเพราะว่ามันมีเหนือมาเองมันเห็นว่าไอเนี่ยนในใจเรามันมีตัวผู้รู้ที่พูดได้คิดได้การจัดกะคําว่าค้าคือรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราถูกต้องอ่ะเนี่ยะแค่นี้เลยซักให้ให้ขาดตรงเนี้ยคือที่ผมอ่านแล้วหรือกระบวนการที่ปฏิบัติมาทั้งหมดแล้วยังไม่เข้าใจก็คือตรงจุดเนี่ยครับที่ว่า เอพระแม่ครูอาจารย์หรือว่าพระหลานทั้งหลายท่านอยู่กับผู้รู้ก็หมายถึงว่าผู้รู้ที่ที่รู้ตัวที่พูดผู้รู้พูดได้ใช่ไหมครับรู้รู้ว่ามันมีพูดมีรู้ว่ามันไม่เป็นสนใจผู้รู้ที่พูดได้แล้วคือมันรู้ว่าในใจเนี่ยมันคือมันรู้แล้วพูดได้คือมันพูดไม่หยู่ในเนี่ยใควิญญาณขันธ์น่ยไปทำลายไม่ได้ที่มันทํางานโลกเจตสิกมันก็เลยว่าจุมันก็เลยแบบเหมือนพูดอยู่คนเดียวคิดตึกต้องอะไรอยู่คนเดียวได้ในใจเ่ย คิดติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนั้นตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาไงดับไม่ได้นะมันเป็นตัวปัญญาของของสติสมาธิปัญญาในขันห้ามันเป็นตัวทําให้เราเรียนรู้ก็มีกระบวนการเรียนรู้ทําให้เราฉลาดเหนือคนอื่นครัไอ้ตัวนี้ดับไม่ได้ถ้าระดับตัวนี้โง่แล้วซื่อบื้อตายเลยครัไอ้ตัวที่มันพูดได้ในใจเนี่ยที่ว่ารู้แล้วพูดได้รู้อะไรแล้วพูดได้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยหมั่สังเกตสังกาจดจําละเอียดเรียนรู้ทําการศึกษากระบวนการเรียนรู้ทําความเข้าใจสนใจจะเรียนรู้อะไรไอ้ตัวนี้ทําให้เราเนนีี่ยทไไปรรกัถึงดดต้ ตั้งหลายปริญญาหลายใบก็เพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีไอ้ตัวที่พูดรู้แล้วพูดได้เนี่ยไม่มีทางไปเรียนได้แล้วไม่มีทางถึงด็อกเตอร์ ไ, ได้แล้วพวกนี้มันจะต้องไปไม่รอดละเพราะว่ามันไม่ไม่รู้จักสังเกตสังกาจดจําเรียนรู้ทําความเข้าใจไอ้ตัวสังเกตสังการจดจําเรียนรู้ทำความเข้าใจทุกขั้นตอนเนี่ยคือไอ้ผู้รู้ที่พูดได้และคือวิ ญ, ญญาณาขัน ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาทังขานแล้วก็ส่งต่อวิญญาตัวต่อต่อไปผมไปรู้อะไรมันก็จะวิเคราะห์วิจารวิจัยรู้อะไรมันก็จะวิเคราะห์วิจารวิจัยมันเลยกลายเป็นผู้รู้ที่พูดได้ในใจเราเลยมีการคิดนึกตึกตองวิเคราะห์วิจารวิจัยตลอดเวลาไม่มีไม่มีไม่มีหยุดและตัวนี้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่ฉลาดเท่านั้นแต่ไม่ใช่ตัวหลงนะคนละตัวกันไอ้ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยมันมันมาถึงขั้นที่ว่าเราไม่หลงแล้วถ้าหลงไอ้ตัวนั้นเนี่ยม หลงเกียรติหลงอิจฉาหลงลิสยาหลงอาคตาิพยาบาทอันนี้มันอันนั้มันมันอยู่ในขั้นหลงอยู่ขั้นหลงอันเนี้ยมันไม่มีปัญญาเลยแต่ขั้นที่รู้สึกตัวเนี่ยที่ที่เนันงถือที่บอกว่าหลงแ ล, ล้วรู้สึกตัวก็หมดขั้นแรกใช่ไหมหลงแ ล, ล้วรู้สึกตัวหลงแ ล, ล้วรู้สึกตัวหลงแ ล, ล้วรู้สึกตัวใช่ไหมไอขัน้นที่เราพูดกันเนี่ยที่ว่าเห็นผู้รู้ที่พูดได้ในใจเราเนี่ยนี่คือมันขั้นรู้สึกตัวแต่ขั้นหลงเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะมามาเห็นไอผู้รู้พูดได้เพราะว่ามันอยู่ในนขั้หหลลลงงเย หลงหลงรักหลงชังหลงเกียดหลงอิจฉาลิษยาหลงพอใจหลงไม่พอใจหลงอาวไข่แคร์พิษบาดหลงเสียใจหลงทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจอันเนี้หมดปัญญาแล้วหมดไม่มีปัญญาล้วก็หลงพวกนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาหลงพวกนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือคนเข้าใจว่าไม่หลงก็คือว่าหลงไปยุ่งกับอาการของใจเนี่ยสาคัญที่สุดคือพราะมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายมันว่างๆใจสบายซบซบ แช่เลยติดอย่างเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่มันมีโอกาสรู้สึกตัวได้เพราะว่าชื่อมก็บอกแล้วไม่รู้สึกตัวมันหลงเต็มๆแนวลมนั้นเลยแล้วก็แช่เนี่ยแช่จนตายนะเป็นโรคภูมิแพ้อำลายตัวเองเกล็ดเลือดตำ่ำแล้วก็ไอสารเคมีในสมองในตับในปอดในในไ ม, ไม่ไม่ทำงานแล้วเชื้อโรคกระโจมตีได้ภูมิคุ้มกันค่อยๆหมดไปเนี่ยคนคนไม่ได้ฝึกจิตก็เป็นเยอะ พวกที่เกิดมาข้ามภพข้ามชาติที่แช่แบบนี้พราเกิดมาแต่เด็กก็แช่เลยเราเห็นเนี่ยหลายคนที่มาหาเราแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ก็เป็นกันเยอะๆเราไปช่วยมาออกจากโรงพยาบาลมาก็เกือบตายก็หลายคน <S <S เป็นหมอเลยก็มีตั้งหลายคนที่เราช่วยมาเนี่ยแช่อยู่ในอาการที่สบายว่างๆเบาๆเนี่ยผลใช้สารเคมีในสมองในตับไม่ทํางานไอในภูมิคุ้มกันบกพร่องโดนโดนเชื้อโรคเขาโจมตีจะตายตั้งหลายคนเราไปช่วยมาเนี่ยเป็นหมอด้วยนะเป็นหมอตงหลายคนเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ทั้งหลายคนที่ไ ป, ไปช่วยมาไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าหลงอยู่อยู่ในบางขั้นหลงพวกนี้จะไม่มีโอกาสรู้สึกตัวแล้วก็พอไปโดนอาการที่ไม่สบายใจเจ่นไม่โปร่งไม่โลง่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างแน่นๆอึดอัดทึบๆโอ๊ยปรับปแต่งแต่งดิ้นรนแก้ไขปรับปรับแต่งแต่งดิ้นรนแก้ไขเมินไปเมินมาดูหนังดูละครฟังเพลงดูละครน้ำเน่าเล่นเกมออกไปช็อปปิง้งคุยกับเพื่อนอะไรเพื่อจะให้อาการของใจที่ไม่สบายใจมันหายไป ทำแบบนี้กันเยอะมากเลยอันนี้อยู่ในขั้นหลงไม่หลงเลยอะหลงพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวอ่าวิธีการจะแก้แก้หลงที่ไปไปติดอาการน้องใจได้ก็คือเข้าหาผู้รู้แล้วถามใจตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้อาการเหล่านั้นและก็จะเริ่มรู้สึกตัวแล้วไม่หลงไปหาอาการพอมันเริ่มถามตัวเองมันก็ไม่หลงอาการแล้วตอนนี้พอมันเริ่มถามพอเริ่มถามตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้อาการแบบนั้นมันก็เริ่มไม่หลงแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้จักถามตัวเองแล้วว่าใครเป็นผู้รู้อาการนั้น ก็ตอบว่าเราเป็นผู้รู้อาการเหล่านั้นสบายใจไม่สบายใจเราเป็นคนรู้ <trilogy. S 3> พออย่างเนี้ยมันเริกว่ารู้สึกตัวแล้วมันไม่หลงไปกับข้างนอกและไม่หลงไปกับอาการเริ่มรู้สึกตัวพอเริ่มรู้สึกตัวปุ๊บไอ้ขั้นตอนที่คุณพูดเนี่ยก็ขั้นตอนที่เห็นว่าไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี่ยมันพูดได้ไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี่ยหรือไอ้ผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยมันยังไม่เป็นสตินะมันยังไม่เป็นสติที่แท้จริงมันเป็นวิญญาณขันที่มันไปรู้ รู้อาการรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้อาการของใจแล้วมันพูดว่าอะไรอ่ะมันพูดได้ไอ้ตัวนี้ไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของไอ้วิญญาณขันเนี่ยคุณสมบัติของมันวิญญาณขันคือมันเป็นผู้รู้ทางรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจรู้ทางประตูใจรู้อัปปะทูประตูใจก็คือรู้อาการต่างๆเนี่ยมันก็เลยพูดได้เนี่ยเพราะว่าอะไรพอมันรู้เพราะมันส่องต่อเวทนาสัญญาสังขาร แล้วมันก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อต่อไปมันไปรู้ปุ๊บไอ้วิญญาณอขานเนี่ยมันรู้ตามถาวรพอพูบรู้ปุ๊บมันพูดได้พูดได้คือรู้ที่มันคิดได้รู้แล้วมันคิดได้แต่มันคิดอยู่ในใจเหมือนกับพูดคนเดียวอยู่ในใจเลยเรียกว่ารู้แล้วพูดได้คือมันพูดคนเดียวอยู่ในใจแต่จริงมันรู้แล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อต่อไปอันเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มรู้แหละนะมันเริ่มรู้นี้พอรู้เสร็จพวกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเนี้ยเราก็สังเกตจนเลยว่า มันพูดว่าอะไรบ้างในใจเราแต่ต like ้องคอยสังเกตดูว่ามันหลงหรือว่ามันเป็นรู้เอตรงนี้ยต้องคอยสังเกตว่ามันหลงหรือเป็นรู้เราเนี่เรานึกว่าเรารู้แต่หลงอยู่นะเราไปหมกมุ่นเราหลงไปหมกมุ่นเองอะคือเอาตัวเราถล่มไม่ตั้งตัวเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตัวถล่มไม่ตั้งตัวแล้วเราไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยเนี่ยอรอบข้างเราเนี่ยคนนั่งอยู่นั่งอยู่รอบข้างสิ่งอะไรอยู่รอบรอบตัวเราไม่สนใจละหมกมุ่นแต่ภายในงุดนหุ้นุุ้อย่างเงี้ยถล่มไปทั้งตัวเเลย่งี มันหลงก็ไปทั้งตัวเนี่ยทั้งกายทั้งใจเลยหลงก็ไปดูเข้าไปดูไปรู้เห็นตามความคิดมันบงการบอกว่าจะเข้าไปดูจิตไปรู้จิตอันนี้มันหลงเข้าไปทั้งตัวอย่างเนี้ยมันไม่เป็นรู้สึกตัวหรอกมันเป็นหลงอยู่มันไม่มีโอกาสต้อกที่จะเห็นพูดได้อะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปถล่มทั้งตัวเลยนั้นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาอ่ามีใครมาเตือนเราบอกว่านี่มันเป็นเหม่อะไรอยู่ข้างในเนี่ยไปหลงหมกมุ่นอะไรคุณคิดอะไรอยู่ข้างในอ๋อเราก็เลยรู้สึกตัวขึ้นมามีคนต้องเป็นสติแทนเราต่อไปแล้ววก็มีสตติัเราเเอองืมราก็รรรููู้้้สสึึกกตตััววอออย่นีพจิง ไม่หลงไปทั้งตัวไม่หลงไปดิดด้นรนไปค้นหาไปพย า, ายามอะไรอยู่ภายในงุ้งุงง้มันมีความคิดปรุงแต่งให้เราก็ไปหาไปไปค้นไปดิดด้นรนไปค้นหาไปพยายามไปห า, านิพ v a n อะไรเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วไม่หลงไปทําตามมันพอเรารูส้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยภายในใจเนี่ยวิญญาณขันมันไม่ดับเนี่ยมันรู้อะไรมันยังวิเคราะห์วิจารวิจัยรู้อะไรมันยังวิเคราะห์วิจารวิจัยรู้อะไรมันยังวิเคราะห์วิจารวิจัยมันยังติกตองยงมันอยู่นั่นตามมรชิของันตามธรรมชาติิของวญาณม มันไปรู้ปุ๊บมันก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขานใช่ไหมแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวตัวต่อไปมันก็มันไปรู้อะไรปุ๊บมันก็จะต้องมีถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆแล้วก็วิเคราะห์วิจารวิจัยได้เพราะมันมีสัญญามีสังขารมันจะเป็นคนฉลาดไม่ใชคนอื่นนะมันเป็นคนที่ช่างสังเกตเรียนรู้จดจําทําความเข้าใจสังเกตเรียนรู้จดจําทำํำความเข้าใจมากกว่าใครมันเลยเรียนจนถึงเนี่ยด็ร์ดัมเบกิอใบปริญญาอะไรเพราะเป็นคนที่ช่าสังเกตเรียนรู้จดจําแล้วก็ทั้งโลกอะไรก็ละเอียดมากละเอีย แม้แต่คนที่ไม่เนดรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอรสารของเราแต่ละท่านโอ้โยการสะเกตละเอียดละอจดจําอะไรเนี่ยท่านแม่นมากเลยอ่ะขยันอ่านขยันศึกษาขยันเรียนรู้ขยันทำความเข้าใจก็ไอตัวนี้เนี่ยมันเอาขันห้ามาใช้เพราะท่านสิ้นหลงแล้วท่านสิ้นหลงแล้วท่านาในใจของท่านเนี่ยมีการเรียนรู้ประมวลผลทําความรู้ความเห็นเข้าใจแล้วพูดผิดอะไรหน่อยท่านท่านเข้าใจหมดเลยรู้เรื่องทั้งหมดเลยแล้วว่าเออท่ามีเวลาไหนไปอ่านนี่ยมันคือท่านรู้เรื่องในสิ่งที่ มันไม่นานจะรู้เรื่องแต่รู้เรื่องละเอียดมาแต่ละท่านเนี่ยเรื่อจงจักจวงวงตั้งแต่สมัยล้านนาะสุขโข ท, ทยัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์ใครเป็นใครเป็นใครเป็นลูกหลายใครรู้เรื่องหมดเลยนะเรื่องโลกเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกรู้เรื่องหมดเลยอ่ะเราว่าเอาเวลาไหนไปรู้เรื่องเหตุการณ์เป็นไปของโลกตอนนี้เติดสงครามที่ไหนตอนนี้ระเบิดที่ไหนตอนนี้ที่ไหนรู้เรื่องหมดเลยโอ้โหเราโนกันท่านไม่รู้เรื่องนะแล้วท่านรู้เรื่องอะไรหมดเลยละเอียดมากพวกนี้ยเราพูดผิดคําเดียวท่านปุ๊บปุ๊บท่กไม่ใช่อ่ะ แล้ววัานั้นเราจะไปกรุงเทพบอกว่าถ้าบอกจะไปไหนเราบอกว่าจะไปวัดโสมถ้าบอกไม่ใช่ชื่อเต็มเขาชื่อเอวัดโสมอะไรวัดโสมวัดโสมวันเราอะไรนะเนี่ยเราขนาดเราอุปชาเราพอทํำเมตตาจารย์เป็นเจ้าวาดเราจะจำไม่ได้เลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ยแม่บาเลยทักเลยเราง็พูดเลยบอกวัดนี้สร้างมาตั้งตแต่ในั้นๆใครมีใครเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันนี้เจ้าอาวาส ช, ชื่ออะไรตามเนี่ยแล้ววัด น, นี้ดั้งเดิมเป็นมาอย่างไงโอ้โพูด พอเราเริ them, ets, ่มต like ้นอะไรท่านละเอียดมากเลยไอ้ตัวเนี้ไม่ดับบรรุอาหารแล้วก็ไม่ดับยิ่งเก่งมากเลยจะจําเรียนรู้ไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดเนี่ยแต่มันมีอีกตัวหนึ่งตัวที่ไม่ได้พูดแต่มันรู้ว่าไอ้ตัวมันในใจเราเนี่ยมันมีมันมีสิ่งเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มันมันมีความรู้ความเห็นข้อข้าใจเนี่ยอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดเลยมากยิ่งมากยิ่งยิ่งเก่งยิ่งมากยิ่งละเอียดมากเลยแต่ไม่รู้เพื่ออะไรหรอกแต่ท่านขยันเรียนรู้ แต่มันมีตัวอันคือมารู้ว่าในใจเนี่ยมันพูดไม่อยู่แต่มันมีไอตัวที่มารู้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ว่าในใจรู้ว่าตัวในใจพูดไม่อยู่ไหนตัวนี้ไม่พูดเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้ปรากฏอะไรเลยไม่ได้ปรากฏอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวจะเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวว่างเปล่าเป็นตัวสงบมันเป็นตัวที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรจะเรียกอะไรก็ได้ที่พระแม่ครูอาจารย์ท่านถามท่านว่าท่านมีอะไรเป็นวิหารธรรมนั้นบอกว่า รู้ก็คือรู้รู้อนนี้ใช่ไหมเออไอรู้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ไม่พูดอะไรที่ไม่พูดอะไรแต่รู้ในในใจของตัวเองเมันก็มีความเรียนรู้นั่นนั้นนั้นคนนู้นกับรู้แต่มันก็ในใจไม่ได้พูดมันก็รู้ว่าในใจเนี่ยพูดอะไรแต่แต่ไม่ได้ยืนอะไรเลแต่รู้แต่ถ้าไม่ได้พูดอะไรครับในตัวใจของท่านถ้าไปพบไปไอตัวใจของท่านเนี่ยตีเป็นผู้รู้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีอาวุธใดๆในโลกมาทําลายมันได้อาคิบิวจะพูดอะไรอาจจะหมายหมาย สองสอย่างนะะอย่างแรกที่ดวงตาก็าอย่าหลงไปทั้งตัวคือให้รู้อารมณ์ใช่ไหมคะความหมายเดียวกันไหมคะให้รู้อารมณ์อารมณ์ทุกอย่างที่ติ่งเป็นที่ติงรู้ทางตาอู๋จมูกดิ้นกายแล้วก็อาการทุกอย่างนี้ที่รู้ภายในใจแม้แต่ความคิดที่ถูกรู้ภายในใจก็เรียกว่าอารมณ์หมดอืมแล้วก็ที่ดวงตาพูได้ได้ สอนมาค่ะก็เลยเหมือนจะสรุปว่ามันเหมือนมีเป็นขั้นตอนลําดับขั้นตอนเลยค่ะหลวงตาคือเหมือนกับว่าหลงแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็เหมือนข้อมีสติรู้อะค่ะแล้วก็ถึงจะฆ่าผู้รู้อย่างเงี้ยค่ะที่หลวงตาสอนก็เลยมันเหมือนเป็นลําดับขั้นตอนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งสามอย่างสามารถกระโดดข้ามกลับไปได้ค่ะเหมือนหลงแล้วก็รู้ตัวพอรู้ตัวก็อาจจะหลงกลับไปได้อีกะคะ่ะโดยที่เราไม่รู้อย่างเง<ช>ี้ยค่ะถูกต้องใช่ไหมคะ แล้วคำถามอีกคำถามนึงค่ะพอเหมือนกับอารมณ์ผู้รู้ที่ไม่ใช่รู้แบบคําพูดอะค่ะหลวงต า, ตาไม่รู้ว่าทําถูกไหมอะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับเรารู้ว่ามันคือรู้อะค่ะแต่เราบอกไม่ได้ว่าอันเนี้ยใช่ผู้รู้ที่ไม่ใช่ผู้รู้ที่พูดได้หรือเปล่าอะค่ะคือเหมือนกับถ้าเกิดจะเอามาเป็นอารมณ์ทำอย่างเงี้ยได้ไหมคะคือมันไม่ได้เป็นคําพูดอะค่ะหลวงตาถ้ายังสงสัยอยู่มันก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่ทั้งหมด พอเราไปเห็นมันกระจายจริงๆเราจะไม่สงสัยถ้าเราสงสัยยจะแสดงว่ามันผิดตัวแล้วก็ปล่อยวางมันไปหมดจะไปยึดอะไรไม่เอาอะไรค่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคือพอหลวงตาสอนว่าข้าผู้รู้่ก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราในที่สุดว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือเสียงที่พูดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงของเรามันก็คือไปเชื่อมโยงกับคําสอนทั้งหมดเลยก็คือว่ามันไม่มีตัวเราหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไร ได้แต่รู้ได้แต่แค่รู้ไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรถ้าเกิดเวลาที่คนเขาปฏิบัติอาการหลวงตาถ้าเกิดเราเราถนัดพิจนาการอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราก็ถนัดที่จะเหมือนกับรู้คอยดูรู้ไม่ให้หลงไปด้วยอย่างเงี้ยจะทําได้ไหมคะหลวงตาคือเหมือนกับดูสลับสลับไปไคะ่ะหรือว่าเราควรจะเอาไปอย่างเดียวเนียควรจะอย่างใดอย่างหนึ่งจะชัดเจนกว่าถ้าเราจะพีนาอร์ไกาให้เนอาไอ้ให้นอเน่าเปือ่อยภูพังเราก็ให้เน่าเปืยปูพันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนไม่มีช่องว่าง จนเหมือนกับไปทำบริกรรมแล้วใจมันก็จะค่อยๆปลงไปวางปลงไปวางวปลงไปวางคือมันเข้าไปถึงความจริงว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เราก็พิจารณาเข้าไปเข้าไปต้องต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเหมือนกับ ก, การเห็นจิตเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่นี้มันการพิจารณากายก็พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายประกอบไปได้วยธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็ธาตรู้จะเป็นความว่างเปล่าตกตายหน่าเปื่อย ผลลุ้ที่วางเปล่าคืนนตามธรรมชาติตามเดิมแล้วก็น้อมกลับมาอีกแค่นาบเผยผูพังซ้ำซๆๆซจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนมันต้องเป็นของไม่เที่ยงแล้วน่าเปผยผูพังไปซ้ำซ้ำซ้ำทีททั้งวันทั้งคืนเนี่ยจนกระทั่งใจมันเข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงคือมันยอมรับตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนคนอื่นก็ต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ใจมันก็เลยปล่อยวางความหลงยึดถือไปทีละทีละน้อยละนป่อยววางคมหลงยะถือว่าเป็นตัวเป็นตนหมดสิ้น แล้วมันก็พอปล่อยวางหมดแค่นั้นเนี่ยมันจะไม่มีรู้สึกว่ามีร่างกายตัวตนเราเนี่ยขวางขวางอยู่เลยมันรู้สึกว่าเราเดินไปไหนไม่มีตัวเราการเป็คนหายตัวได้ในการอีกกรณีหนึ่งคือไม่มีน้ำหนักเราเดินไปไหนไม่มีตัวตอนเราปล่อยวางสังขารร่างกายหมดแล้วสึ่งความยึดมั่นถือมันร่างกายแล้วเนี่ยเดินไปไหนไม่มีตัวไม่มีรู้สึกว่ามีตัวเลยต้องคอยจับแขนจับขา FI อยู่เลยเลยว่าเออแขนขาเราหายไปไหนตัวหายไปไหน แล้วย่างี้ไม่ชินเป็นเดือนเดือนเนี่ยแล้ว่าจะเดินไปไหนอ่ะไม่มีตัวอยู่นั่นเน่ะเหมือนกับแขนขาไม่มีต้องคอยเอามือจับไว้เออมันหายไปไหนว่าตัวมันหายไปไหนแต่จับแล้วมันก็รู้สึกมีแต่ตอนไม่จับรู้สึกว่ามันไม่ไว้ใจมันยังไม่ชินมันรู้สึกว่าแขนขาไม่มีตัวไม่มีแต่ต้องคอยจับมันไว้อยู่นั่นแหะเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีน้ําหนักรู้สึกไม่มีน้ําหนักน้ําหนักไม่มีเลยหายไปเลยหายไปเป็นเลยหลวงตาอย่างตอนที่ปฏิบัติกายอะค่ะหลวงตายังรู้สึกว่ายังมีใจอยู่ไหมคะ เออนี่ไงตรงนี้่พอมันไม่มีกายไม่มีน้ําหนักแล้วเหลือแต่ความว่างแล้วมันก็เลยเห็นจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความว่างเหมือนแสงหิงห้อยตอนนี้ไม่มีผู้ดูนะไม่มีผู้ดูผู้ดูเพราะไอ้ผู้ดูมันเป็นจิตที่ปรุงแต่งอะไอ้ผู้ที่เขาไปดูจิต่มันเป็นผู้มันเป็นจิตที่ปรุงแต่งเข้าไปดูจิตตอนนี้มันก็เลยแม้แต่ไอ้ผู้ดูจิตเนี่ยมันก็ไม่ไม่คิดจะไปดูจิตแต่ถ้ามีผู้ดูจิตมันก็เหมือนกับว่า ทั้งหมดเนะี่ยคือจิตทั้งหมดที่เป็นแสงกิริยาการไม่เหมือนแสงหิงห้อยที่เกิดในเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเกิดวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปจนไม่เห็นทีทีทีทีอย่างเงี้ยใจมันก็โผล่เลยว่าเอาจิตก็ไม่มีตัวตน จ, ตจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราของเราตัวตนเราไม่มีแค่นั้นเนะี่ย มันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไอ้จิตเป็นตัวเราเราเป็นจิตจิตเป็นตัวตนของเราวางบึ้มลงไปเลยพอวางกายและจิตไปหมดแล้วเนี่ยยังไงนะคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีรอยต่อมันอยู่เหมือนโลกระท่านนะมันจะสงัดไปเลยเพราะอะไรมันถูกบางอย่างเหมือนกันกบว่าไอ้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันขาดจากแรงดึงดูดของโลกเนี่ยไอ้โลกเนี่ยเวลาเราโยนของ ข, องขึ้นไป มันจะตกกลับคืนสู่พื้นโลกหมดเพราะมีแรงดึงดูดใช่ไหมโลกโลกสวรรค์มันก็มีแรงดึดงดูดเข้ามันคือดึงดูดฝ่ายที่ทำกรรมดีขึ้นไปไปโลกสวรรค์ไอ้โลกนรกมันก็มีแรงดึดงดูดเข้ามาคือดึงดูดฝ่าย ท, ทำกรรมชั่วลงไปไปสู่นรกดงนั้นไอ้ส่วนโลกมนุษย์นี่ก็เป็นกลางๆคือทั้งดีทั้งชั่วอ่าเวลาเกิดมาตังเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีฝ่ายที่เอมีความทุกข์มีความทุกข์คือ อ, อยากโจนกนแกนแสสะหัตาบอดหูหนวกพิกลพิการ คนนี้ก็ยังมีฝ่ายฝ่ายที่เป็นทุกข์มากกับฝ่ายที่มีความสุขความสบายฝ่ายที่มีบุญมากนั้นไอ้โลกของเรานี่คือฝ่ายทั้งมีบุญและมีบาปกันอยู่กลางๆแต่ไม่ถึงว่าบาปหนักไปเป็นนรกแล้วก็ไม่ถึงกับว่ามีบุญมากไปสวรรค์นั่นคือไอ้มนุษย์เนี่ยบุญมากที่สุดกว่าสวรรค์แต่ก็ไม่บาปมากถึงลงนรกแต่ก็บุญมากกว่าสวรรค์เพราะว่าไอ้ผู้ที่จะมาเกิดมนุษย์เนี่ยบุญจะใจไม่ได้ตัดว่าพวกสวรรค์เนี่ยยากที่สุดในโลกแต่คนเกิดมาเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลก เั้นเกิดมนุษย์แตมาเลยมันมีบุญก็มากกว่าพวกสวรสด์เลยถึงมาเกิดยากที่สุดในโลกตัวจ้บาปก็คือไม่ถึงบาปมากถึงไปนรกแต่โลกทั้งสามดุลย์ยังมีแรงหนึ่งดุลยแต่พอพ้นจากการปล่อยวางกายและจิตขณะจิตหนึ่งที่มันจิตมันไปนรู้สึกถึงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแค่นั้นแหละทุกอย่างมันมันเหมือนโลกกระท่านี่หยุดเลยใจที่ที่ที่ดี่ลนคนหามันเหมือนหยุดกึก แล้วก็โล ก, กระทาทั้งโล ก, กระทาไม่มีการ เ, ลเคลื่อนไหวเลยหยุดหมดทั้งโล ก, กระทาทั้งจักรวาลแล้วก็ไอแรงดึงดูดของโลกทั้งสามเนี่ยมันเหมือนระเบิดขาดออกจากกันที่ที่ดึงดูดเราไเพราะว่าไอโลทั้งสามเ่ยแรงดึงดูดของโลกทั้งสามเนี่ยมันจะดูดดดูดได้เฉพาะกายพอเราไ ป, ไปยึดว่ากายเป็นเราเราเป็นกายนี้ร่างกายนี้มันก็เลยเราก็ไปส่วนหนึ่งของร่างกายก็กลายเป็นสสาร สารเลยโดนเนี่ยโดนโดนโลกดูดได้ใช่ไหมเราเลยโดนดูดติดในโลกได้กระโดดขึ้นไปเนี่ยเราก็โดดขึ้นไปก็เราตกโลกเราก็โดดขึ้นไปก็เราตกมาในโลกเนี่ยมันเลยโดนโลกเน่ยดูดได้และโลงสามเนี่ยกระดูดได้นี่พอไปยึดถือจิตไอตัวผู้คิดไอตัวผู้นึกตัวผู้มีอารมณ์พอทุกโศกเศร้าไปได้เราก็เลยโดนดูดได้ดังนั้นไอคนที่มีความโศกความเศร้าความดีใจเสียใจเลยหลุดจากจากโรงสามไม่ได้ลองไอตัวเนี้ยไอตัวที่ทุกโศกเศร้าดีใจเสียใจเรากระโดดขึ้นไปมันก็ตกมาเหมือนกันผลท้ายมันก็โดนโดนดูดได้หมดดัง พอหลุดพ้นจากกายและจิตปุ๊บมันเลยกลายเป็นความว่างร่างกายเป็นสสารจิตเวลามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จริงๆมันเป็นเวฟเป็นคลื่นมันเป็นพลังงานพอหลุดจากสสารหลุดจากจิตที่เป็นพลังงานทั้งหมดก็เลยเข้าสู่ความว่างพอความว่างเสร็จโลกทั้งสามโลกมนุษย์โลกนรกโลกสวรรค์หมดแรงดึงดูดจากความว่างทั้งหมดมันก็ระเบิดขาดเลยคล้ายๆจรวดอะ เวลาจรวดมันยิงยิงจรวดขึ้นไปออกไปนอกโลกไปอาวากาศเ่ยมันจะผ่านชั้นบรรยากาศไปแล้วก็จะทิ้งไอ้ถังเชื้อเพลิงของมันทีละถัะงมันก็จะโดนไอ้ชั้นบรรยากาศเสียดสีจนไฟลุกไหม้ไปเรื่อยตกมาถึงผิวโลกหลังแต่ไอ้ถังสําคัญคือถังสุดท้ายที่บรรจุ เ, เชื้อเพลิงเต็มถังน่ะคือมันจะไปถึงชั้นบรรยากาศลอยต่อระหว่างชั้นบรรยากาศแรงดึงดูดสุดท้ายกับอาวากาศมันจะใช้ถังนี้ระเบิดระเบิ ด, บดไอ้ไอตัวกระสวยอาวากาศเน่ยกระเด็นดหลุดออกไปเลย บุ้มไอไอตัวสุดท้ายเนี่ยไอไ อ, ไ อ, ไอี่เป็นท่อยาวมากเนี่ยท่อเดยวยาวที่มันส่งขึ้นไปกระสวยอ ห, หัวมันเล็กนิดเด ย, ยแต่ท่อเนี่ยคือท่อท่อที่มันระเบิดที่จะระเบิดแหลกระเบิดนั่นแหะบุ้มเร็วนั่นแ่ะและ้วกระสวนก็บินออกไปเลยกระเด็นออกไปนอกโลกเลยอันนั่นแหะมันจึงพลังหนึ่งๆของโลกไปได้คือลักษณะนี้เป็นการเห็นเหมือนกับที่พระสดาเห็นไหมครับลักษณะของการแยกระหว่างรูปกับนามออกจากการเห็นได้ชัดก็คือเห็นว่ารูปก็รูป ก, ก็คือนามก็นาม คือแยกจากการชัดเจนไม่ได้เป็นอันเดียวกั น, น ก, ก็คือละเป็นการละสกยาทิฏฐิก็คือละเบื้องต้นในี่ถือว่าเป็นการเห็นในลักษณะของพระโสดาเลยหรือว่าข้านว่างา น, นอีกใช่ไหมครับแล้วสุดทา้ายก็มาละนามอีกทีหนึ่งละนามก็คือต้องวางเนะวางนามไปทีนึงคือคือจิตนามเนี่ยหมาถึงว่าจิตเนี่ยมันหลุดออกมาจากกายมันมันมันไม่ติดกาย มันไม่ติดกายบางคนก็เห็นนอนนอนบางคนจะไม่ทันตายเลยนอนหลับไปเนี่ย mm. เห็นว่าเห็นจิตคือเห็นมีมีตัวเราเนี่ยออกมาจากร่างกายของเรา mm. เรีนตัวเรานอนอยู่ mm. บางคนจะไม่ทันตายก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้บ่อยเขานอนหลับไปเนี่ยแล้วก็เขาดูลมให้ใจเข้าออกไม่กี่ทีเนี่ย mm. ก็เห็นเขาเห็นไอตัวเขาอีกตัวเนี่ยคือเนี่ยคือตัวจิตตัวนามตัวนามกายไอตัวนามเนี่ยมันก็มองเห็นไอรูปกายนอนนอนหลับอยู่ไอ้ตัวนามเนมาาี่ยตอนนี้ แต่ถ้าเราไปยึดเอาไว้ไอ้จิตจะเป็นตัวเราเนี่ยเวลาเราตายแล้วมันก็ตายแต่ไอ้ตัวที่นอนหลับอยู่แต่ไอ้ไอตัวจิตที่ออกมาจากล่างน่ะไอ้นี่ไม่ตายโดนพวกโยมมรทูตลากออกไปไปลงโทษพวกเจ้ากันในเวทในผลได้คือให้ผลได้ไงคือกลับไปสู่แรงดรือขของโลกสงสามได้ตามผลบุญแลว้วผลบาปดังนั้นมันต้องหลุดพ้นจากไอ้ส่วนนามากายคือไอ้ตัวที่มันหลุดกระจายจากล่างเนี่ยแล้วก็ไม่ยึดถือไอ้ตัวที่หลุดกระจายจากล่างเนี่ยเป็นตัวเราอีกทีแล้วมันเลยไปเป็นความว่าง แล้วก็จะไม่มีอะไรแรงดึงด so ูดได้มันจะไปเป็นเหมือนกันกับพู้ที่ที่ปล่อยวางพอเข้าไปถึงไงไอ้จิตที่มันพูดได้ในจิตในในใจของเรานี่ยในใจของเราที่มีอะไรพูดได้กูกิ๊กกูกิกกูกิที่เป็นกายน่าที่มันมันตึกตองได้มันวิเคราะห์วิจารณวิจัยได้ที่พู้ที่ดูจิตสุดท้ายใช่ไหมมันจะไปเห็นกันในใจเรามันมันมีมันตึกตองวิเคราะห์วิจารณวิจัยอยู่ภายในจิตได้กูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กได้แต่มันมีใครไปยึดไงมันไม่มี ไอ้ที่มันพูดได้กูิกูิกูิได้มันได้แต่รู้ไงได้แต่สัตตวรู้สัตตะวรู้หรือว่ามันไม่มีใครไปรองรับหรือไม่ดมีใครเป็นเสวยไอ้ที่มันมันพูดได้บ่นได้ก็คือมันเลยขาด้ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่ไม่มีใครไปเสวยนั่นแหละไอ้ตัวที่รู้แล้วก็มันไม่มีใครปเสวยไม่มีใครไปองรับไม่ิมีไปยุ่งกับไอ้ที่ไอ้ที่ภายในจิตใจเราที่มันมันบ่นได้พูดได้วิเคราะห์วิจารวิจัยกูกิกกูคิกกูคิกเห็นอะไรก็วิเคราะห์วิจารวิจ เราก็จะพ้นมาเป็นในไอ้ตัวที่เพืนมาดูมันได้เฉยมารู้ได้เฉยว่าไอ้ตัวเนี้มันมันมันมันยังมีการวิเคราะห์วิจารณวิจัยอยู่ภายในใจก็ปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่มาเห็นมารู้เนี่ยมันก็จะไอ้ตัวนี้ไม่มีกิยาการใดๆมันก็จะพ้นจากไอ้ไอ้จิตไปก็แบบเดียวกับกันก็คือพิรากายมาแล้วพิราจิตแล้วก็มามาถึงไอตัวผู้ปล่อยวางหมดสุดท้ายก็เป็นมาถึงในตัวผู้ปล่อยวางหมดเออสัแต่ว่ารู้ ก็คือสัตวตวรู้ไอ้ติ๊กุ๊กิกุ๊กกุ๊กิ๊กไปในใจหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันพอมันปล่อยวางกายกับจิตเหมือนมันก็เลยเห็นอะไรก็สัตวตวรู้สัตวตวรู้สัตวตะวรู้เหมือนคําว่าข่าผู้รู้อย่างนี้ค่ะเหมือนหลวงตาค่อยๆอธิบายก็เลยเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะเพราตอนแรกคาว่าข่าผู้รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วพอหลวงตาบอกว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้ยืดว่าเป็นตัวเราไม่ได้ไม่ใช่เสียงของเราอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ของเราเราพอยิ่งมาได้ยินคำว่าสัตวกแต่ว่ารู้อย่างน สตร i, รสวรูหรือสิ้นผู้เสวยหรือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ได้สืสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งรูปธรรมและนามธรรอสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวนตนของเรามันก็เลยขาดจากโลกทั้งสามไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่กลับไปถูกลงสาแรงหนึ่งดูดไปมันก็เลยสิ้นการเวียนไหวใจเกิดอยู่ในโลกทั้งสามไปเป็นอมตะไปเป็นไปเป็นธาตุรู้ไปเป็นธาตุรู้ที่ไม่ยึดอะไรไม่ตึกไม่ตองอะไรก็คือเรียกว่าวิมุตต์วิมุตต์ หายไปหายตัวไปพระเจ้าจะไว้ใช้คำว่าหายตัวไป science, หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของจักรวาลของหายเป็นความว่างธรรมชาติคือไม่ไม่ไม่โผล่ขึ้นมามีอาการกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นตัวมันไม่ไม่มีอาการที่มันพูดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบ่นอะไรพูดอยู่ในใจมันจะเป็นตัวที่ไม่พูดหายไปเป็นความหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่บน่นไม่พูดแต่ตัวเนี้ย ม, นมนนันมันไปเป็นวิมุตต์แล้วเนี่ยมันยังมีความรู้ไงมันมีความรู้ตัวมันไม่ติดอะไรและตัวมันก็ไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรตัวมันอะสามารถสมมติมาได้ในความเข้าใจของเรานอะมันไม่มีเขียนไว้ที่ไหนแต่ตัวการแจ้งกาใจของเราเนี่ยมันสามารถสมมติมาได้เพราะว่ามันมีความรู้อยู่ไงตัวมันกลับไปเป็นตัวที่ไม่พูดไม่บ่นไม่คิดไม่ตึกต้องอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ไงรู้ว่าตัวมันไม่ติดอะไรไม่ไม่เข้าไปสวยอะไรแล้วตัวมันไม่พูดไม่บ่นอะไรไม่ตึกไม่ต่ออะไร แล้วม found, so an religion, ันหายไปกลายเป็นตัวที่ไม่พูดไม่บ่นไม่ตึกไม่ต่ออะไรเขาเรียกว่าตัววิมุตหายไปเป็นคืนดป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่ตัวเนี้เปเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านหายตัวไปไอ้ตัวนี้กลับคืนมาได้นะกลับคืนมาได้แต่กลับคืนมาแบบสมมตินะเพราะว่ากลับคืนมาเป็นรูปร่างไม่ได้แล้วเพราะว่ามีหมดสิบที่จะมาเป็นรูปร่างในภพทั้งสามพอภพทั้งสาไม่ดุดได้อีแล้วมาเป็นตัวจริงๆไม่ไม่ได้ในภพทั้งสามมาเป็นตัวเป็นเทพเทวดามาเป็น กลายมนุษย์เป็นอะไรไปได้ไม่แต่เป็นแค่เขาเรียกอะไรเป็นนิมิตมาเฉยเป็นนิมิตมาปรากฏเป็นนิมิตมาเฉยแล้วก็หายไปแั้นจะนิมิตมาก็ได้ไม่นิมิตมาก็ได้อยู่ที่พระองค์ที่จะนิมิตก็ได้ไม่นิมิตก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าหลายคนโดนก็ต้มโดนเขาหลอกบอกว่าจะพาไปฟ้าบุตรเจ้าได้แต่นั้นไปไม่ได้โดนเขหลอกทำป า, ตาพตปอดว่า แล้วก็หลอกจะเอาอาหารไปฟ้าวบูตเจ้าแล้วเสียเงินมากมายเอาเอาคอ้อนไปไปเคาะประตูสวรรค์เปิดประตูสวรรค์ใบแล้วต้องคอ้อนใบอันนึงต้องสองแสนน้ำแสนทาสปอบทำทีต้องสี่ห้าแสนเว้ยมันโดนต้มเหือนทั้งประเทศแล้วก็โดนเขาหลอกแล้วก็อย่างเงี้ยปมันหายตัวไปลไปหาที่ไหนอท่านคนนั้นเน่ยที่จะปรากฏสมุดมาหาเราได้แล้วก็กลับไปเป็นวิมุตติแต่คนที่มันไม่ไม่เข้าถึงไอ้ท่านที่เป็นวิมุตติคือท่านที่ไม่ยึดะ ที่ไม่ยึดอะไรเนี AH ่ยที่ได้สักตัมรู้แล้วไม่ยึดอะไรเนี่ยมันเป็นธาตุที่เป็นที่เป็นวิมุติคือหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นใดๆมันก็เลยเรียกว่าวิมุตไอ้ธาตุเนี่ยเรายังไม่ไปเป็นธาตุนั้นเราหายตัวไม่ได้ถ้าเราเพราะอะไรถ้าเรายังมายึดร่างกายที่มันเป็นส่วนที่เป็นสสารยึดไอ้พลังงานที่เป็นนามขันที่มันเป็นตัวปรุงแต่งได้ไอ้นี่เรายึดส่วนที่ยังเป็นผู้แต่งว่าเป็นตัวเราเราก็เลยหายตัวไม่ได้เราต้องพ้นจากไอ้ร่างกายที่เป็นสสารแล้วก็ พลังงานที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่วิญญาณอสัารที่เป็นการรับรู้ต่างๆกูจะหมูนร่างกายใจแล้วมาทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารกุกิ๊กกกิ๊ก๊ ก, ก, ก, กวิเคราะห์วิจารวิจัยได้ไอ้ตัวนี้มันก็เป็นสังขารพอหลุดพ้นจากสังขารทั้งหมดอ่ดะทั้งรูปเปสังขารและนามาสังขารว่างเลยกลายไปเป็นวิมุติเลยไอ้วิมุตเนี่ยน่ยไม่มีหรอกไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยให้มีที่หมายให้ไปหาได้ให้ไปไปเฝ้าท่านได้เอาข้าวมาถวายได้ ไปเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะไรไม่ใช่โดนหลอกต้มทั้งนั้นแต่ไอ้ผู้ที่มันหายตัวได้ที่มันมาได้ไอ้คนหายตัวไม่หายตัวไม่ได้จะไปหายไอ้สิ่งที่หายตัวได้ยังไงไอ้พวกที่มันเป็นวิมุตแล้วมันมีสองสถานะคือมันรู้ตัวมันไม่ติดอะไรมันก็สมมติมาก็ได้เพราะมีความรู้อยู่ว่าตัวไม่ติดอะไรมันสมมุติมาก็ได้แต่ไม่ได้สมมุติเเปป็็นนมาเกิดเป็นมนุษย์ได้จริงๆไปเป็นนรกได้จริงๆไปไปเป็นสวรรค์ได้จริงๆแต่มันสมมุติมันเป็นลางๆมันเป็นในิมิตได้แล้วก็หายตัวไป มันก็นิมิตสมมติมาเป็นเหมือนแสงเลเซอร์อย่างเงี้ยได้แสงเลเซอร์จริงในอากาศเนียได้ออแต่มองไม่เห็นเราตา ม, มองไม่เห็นเราต้องอใจใจยิงจะรู้กันได้สําหรับพูดเป็นธรรมเหมือนกันแต่ไอพูดที่มันอ้เขาเรียกอะไรนะยังเป็นปรุงแต่งอยู่เลยมันจะไปเฝ้าท่านได้ยังไงไอันมันโดนต้มเกาต้มทั้งเมืองออย่างเงี้ยหายรงสัยยังอ่ะชัดเจนไหม